ดูกลางขาครับกลางขาหน้าเก้าสิบเจ็ดเมื่อวานนี้ถึงานพิเศษข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบสาเกี่ยวกับการประทุศร้าแตกรูในการประจบคลิหะเมื่อวานนี้ผมผมจะบอกผิดขั้นตอนนังหนึ่งอย่าว่าตอนแรกถ้ามีพระที่ประทุศร้าแตกรูประจบคลิหะนี้เกิดขึ้นนะครับ จะบอกว่าที่สุดที่ <c oughs> ได้เห็นนะครับวิสุทาอื่นนะคือพวกวิสุทธิที่ได้เห็นหรือว่าได้ยินนะครับก็ต้องไปนี้นะไปเสือทีนผู้นี้นะครับการมีการไปตรงนั้นก็คือไปเพื่อระบบภาชินีอากาศเพราะว่าพอรู้ข่าวว่ามีค่าที่คำนวณหนาเกิดขึ้นนะครับล้วก็ไปเพื่อระบบภาชินียากับแต่ก็ต้องมีการโจทย <c oughs> ์กัอนอะไรเข้าใจารย์ยังไม่เกินนะครับครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ต้องสอบสวนนะจาะครับสอบสวนก่อนอธิตฐานสามครั้งตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ครับเตือนสามครั้งมาที่ว่าแกนถึงลงพาเสนียกรรมแล้วแล้วก็กลับมากราหาประสงค์ว่าลําเอียงครับตรงนี้เนี่ยตอนที่กราบประสงค์ว่าลําเอียงครับให้เตือนสามครั้งตรงนี้ครับครับแต่ตอนแรกมันก็ผุดไปตอนนี้ก็ก็วางกางต่างเตือนแต่ได้ครับตอนนี้เขาทำนี้นะ แต่ถ้าแกยังไม่ยอมพฤติกรรมนั้นน่ะก็ให้ลงประพาสนียกรรมไปเลยครับมีการโจทย์ก่อนให้จําเลยให้การแล้วก็ทำตามประเพณอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเขาบอกเขายอมนั้นนะเขาจะไม่ทำอีกแล้อย่างนี้น่ะแล้วก็ลงเขาไม่ได้นะเขาจะกลับตัวกลับใจนะนะแล้วก็ไม่ต้องลงนะครับแต่นี้ถ้าอยังนี้ยืดดึงอย่างนี้อยู่นครับก็ลงประพาสนียกรรมไปเลยทีนี้เมื่อลงแล้วเกิดไม่พอใจเมื่อคุยแก้ตัวไม่หายยังอยู่ทีนี้นครับ ยังกาหาประสงค์ว่าเราเตี้ยเพราะความรักโกรธหลงกลัวนี่นะตรงนี้นะครับที่ว่าพิสูจนที่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินอยูในหน้มีแปดกิโลถึงโยอดใช่ไหมครับต้องไปบ้ากับแต่เดือนทุกรูกรอบนอกก่อนสาครั้งถ้าแกไม่เชื่อก็ต้องบัตทุกกดแล้วก็คุมตัวไปว่ากับแต่เดืทางการสอนิทนะครับสามครั้งถ้าแกยังไม่เสียพฤติกรรมนั้นนึครับยังไม่ยอมนะ ก็จะแก้ต้อมทุกกลดตัวนึงทีนี้แหละสองก็จะสวนมนุภาพาดนะครับสุดในการตับเตือนให้ละพฤติกรรมนั้นนะถ้าเขาไม่ละเมื่อถือโจทย์นะครับสามครั้งนะ้ก็จะต้องทำบัตรสาิเสกนี้ครับทีนี้ก็มาดูความคิดในการขายหนึ่นอากาศสิเนตอธิบายกุยยะะาการั <c oughs> ตูสกัดสิกสขาบท พึงสราบาที่บางสิทธาบทที่สิบสามต่อไปในคำนี้ว่าคามังวานี่ข้ามังวา่าบ้านก็ตามนี่คมก็ตามถึงเมืองแล้วนครก็นําเข้าในบ้านนั่นเองคำาว่าปรปนิายาวิหารติมาถึงที่สุดรูปนี้นะครับฟังว่าอาศัยอยู่ในบ้านหรือนิคมนั้นเพราะตนติดใจปัจจั ย, จยมีจีวรเป็นต้นที่เกิดขึ้นในบ้านและนิคมนั้น ที่สุดชื่อว่าปัทสุราชตระกูลเพระาะปัทสุราชตระกูล้วยการทำศรัทธาของพวกมนุษย์ให้เสื่อมเสียด้วยการประจบมีหม้อดอกไม้ให้เป็นต้นทำศรัทธาที่บริสุทธิ์ให้หายจนะน่ะกลายเป็นปัญหายึดติดจุบโคมแทนี้ก็ชื่อว่าปัทสุราชตระกูลคำว่าโสภิคที่สุดนั้น หมายถึงพิสุผู้บระทุษร้ายกัะกูนั้น <c oughs> ด้วยควาว่าอนิสมะโคคุรุสโกไปอรางเตอิฆาวาเสนะนี้พระมิาพะภาคเจ้าทรงแสดงว่าพิสุนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกลงปับภาชนียกับเพื่อตัวนี้นะปัปพาชนีย ก, คก็คือถามลายจอว่าอครับจมีการสวนเนี่ยส่วนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเลย แต่ตรงคำศุภานศรียกรรมเนี่ยเขาก็มาสู่ไล่ไล่ผีเหมือนกันสมัยนี้นั้วันที่เนี่ยาก็มาสู่ไล่ผีนี่แบบานศรยกรรมเนี่ยเดีแต่เขาจะแต่งเหมือนมีอะไรนะยักษ์คาันคุาอะไรนะเข้าเข้ามานะครับแต่ไล่ขวามนุษย์นะไจริงครับไม่ไม่รู้อ่ะก็ตอนนั้นที่อาจารย์มาสู่ให้โยมนั่นนี่ะโยมจิตตาใ่ไ แล้วก็มาใช้นะครับก็จะมีาสรเจ้าลองครับแต่คงไม่ได้สวดอย่างนี้ก็จะอีแบบแต่เขาเรียกว่าประพาสเนียเหมือนกันนะครับสุดขำไรอะมนุษย์โยมสำนักแกหาว่าแกโดนมนุษย์ทําอาครับโดนมนุษย์มาฝีมาอะไร่ครับก็เลยมันหมุนให้จางสวดให้เขาบอกว่าเป็นเป็นเป็น อก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงเป็นยังไงเนื่อของจริของฟองบอกไม่ได้บางทีอาจจเป็นของฟองได้ฟองหมดปากด้วงติ่ไปครับพดาเอ้ยพรก็พิสูนนั้นสูกสงลงประการียกรรมแล้วย่อมไม่ได้พูดแต่จรไปในบ้านหรือนิคม ที่ตนกระทํากรรมคือกา ร, รพุทธร้ายตะกูเนี่ยไปเทียบินทบายในอนไรบ้างในนิคมนั้นไม่ได้เลยเพราอจึไปประจดเอาไว้ทั้งไม่ได้เพื่อจะอยู่ในวัดของตนรูดหมายถึงวัดที่ตอนอยู่แล้วทํากรรมพุทธร้ายตะ ก, กูจะอยู่ว่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าไปอยู่ว่าอื่นจะมาบินทบายในหมู่บ้านนั้วก็ไม่ได้นี่หนั้มากนะครับในข้อนี้ว่าเอวังจักโสพิคุ คำว่าโสหมายถึงพิสุขผู้ถูกสงลงปรักษาฌนิยกรรมพวกพิสุขชื่อว่ามีความลำเอียงเพราะชอบใจเพราะถึงความลำเอียงด้วยความชอบใจแนคติที่เหลือมีในนี้เหมือนกันนะครับก็หาว่าพระสงฆ์น่าลำเอียงที่สุขบางรูปก็ทําอย่างนี้เหมือนกันไม่เห็นสงลงปักษาฌนิยกรรมเลยถอยมาลองอยู่พ่อพวกผมนีครัพอเหนพระสงฆไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับพระสมฆแม่ลำเอียงหรอก อันนี้เขาไม่พอใจก็เลยหาว่าประสงค์หาว่างอิ น, น, นความชอบพอมันต้นนะเหมือนก็ว่าชอบพวกนะั้นไม่ยอมลงแต่เกลียดเล่าก็เลยนอนนี่นะเนี่ยหาว่าสงรมเอียงครับอ <c oughs> อก็ไปยังก็ไม่ได้ก็ผิดนะมีความเอียงมันก็เข้าออกันได้ฉี่นะพอคําว่าโสภิคุปความว่าที่สุดที่กล่าวอยู่ว่า พวกพิสุมังเป็นพูดถึงความลําเอียงเพราะชอบใจสงต้องตักเตือนอย่างนี้เพื่อให้สละคําพูดนะั้นตักเตือนนะที่ว่านะอไม่ใช่ตักเตือนเพื่อห้ามการมารุษย์สลายแต่ ก, กูจริงอยู่อาบัตที่พึงต้องเพราะการมทรุษสลาของกูที่สุนั้นได้ต้องแล้วตั้งแต่ทีแรกทีเดียวคกพอคาก็ต้องเลยคนระับเช้าเมื่อวานเนี่ยอะไรนะ ประจบวยการให้ดอกไม้ผลไม้ให้จุนให้ดินให้ไม้สีปันให้ไม้ไผ่เป็นต้นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นทําำกิจกรรมเป็นแพทย์รยาส่งข่าว้ายพวกนี้นะครับนี่แหละทาแล้วก็ต้องเลยนะไม่ต้องร้อยใครเปลี่ยนไปส่วนนะครับไอ้ตรงประจบเพิ่มขันทำแล้วต้องเลยนะครับแต่พอถูกพวกวิสุท์ตักเตือนเป็นการสืบตัวก็ตามในถ้ำกลางสงก็ตาม ยังไม่สละคําพูดนั้นนะครับอยู่อย่างนี้จะต้องมาเพิ่มอีกก็ยังว่าหามาสงรมีกอย่างไ้ไม่ยอมนะครังหามาสงเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเอาเพิ่มทุกกฎนะครับคําว่าเอวันจัดสงเป็นต้นที่ได้กล่าวกัแล้วในการกรองแต่นี้และทั้งที่ยังไม่ได้กล่าวทั้งหมดมีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียวผมก็สวดไปนะสวดนะครับสมนุนธา สนักกรรมนนะในการตัดเตือเพื่อละพฤติกรรมทุติยนั่นนะครับจบยติต้องอาบัตทุกกดนะครัจบมัมวาจาสองครั้งต้องบัตถุนละใจสองตัวจงมัมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาดิเศษนะครับเมื่อต้องอาบัตสังฆาดาาิเศษอาบัตทุกกดพนนเพราะายติถึงละใจเพราะเพราะกรรมมวาจาสองครั้งก็หายใจก็เหลือได้สังฆาดิเศษนะครับอันนี้ อาแม้คาถาว่าด้วยการบินใช้เป็นเช่นเดียวกับการบินใช้ที่กล่าวไว้แล้วในสิกขาบทที่สิบนั่นเองนะก็เหมือนกับว่าพง่นะเก่ความต่างกันมีดังนี้สิกขาบทนี้ข้าพภาธเจ้าทรงปรลบพวกวิสุทธิ ส, สิจและขุนน้ำสุกะในเมืองสามีบัญญัติไว้แล้วก็เหตุคือการบ่นว่าพวกวิสุทธิที่ทํากรรมว่าเป็นผู้มีความลําเอียงเพราะความถูกใจกันเป็นต้น อันหนึ่งบรรดาองค์ทั้งหลายในสิกขาบทนี้คุณทราบว่ามีองค์คือการบ่นว่าพิสุว่าถึงความลำเอียงเพราะความถูกใจกันเป็นต้นเพรามอีกองหนึ่งเหมือนองค์คือการพยายามจะทำลายสงในสิกขาบทที่สิบแลองคเหมือนกับกันกับสิกขาบทที่สิเปลี่ยนจากองค์คือการพยายามทนลายสงเป็นองค์คือการติดเปลียนสงผู้ทำตามเป็นต้น จบการที่ม า, ารุ่งอรุษกะทิขาบท น, นะครับองค์ก็เด่นเป็นหนึ่งนะอ ง, องค์ข้อแรกเขี่ยนไปถ้าในในหนังสือและหมามันจะเขียนให้นะครับหน้าข้าอสองนะองจะมีว่าติเตียนติเตียนสงผู้ทํากรรมว่าถึงความลำเอียนะครับนี่นะติเตียนสงผู้ทำกรรมว่าถึงความเอียงพอชอบพอเป็นต้นนี่นะจะใส่เข้ามาก็ได้ ปีเตียนสองพูดทำกรรมว่าถูงความเตียงส่วนสามองค์ที่เหลือก็จะเหมือนกันมนีข้อสินะครับก็คือนนข้อสองเนี่ยมีการสวดสมณุภาพด้วยกรรมที่ถูกต้องสามจบก็รามาจ่าสีไม่สลับที่นะครับเมือ่อครบองค์สี่นี้ก็ต้องอาบัติสังคาทิเศษในข้ อ, อนี้แต่นี่จะเสริมตัว น, นี้ให้หน่อยนะถ้าจะพูดถึงนะครับ อ่านี้ก็พูดแล้วมือนีนะเหมือนกันนะครับอันนี้อนกันนะเอ่ตอตรงนี้อยากที่่อว ก, ก็เมื่อพิสุทผูุ้ขสงลงบระพาสชนีกรรมอย่างนี้แล้วบรรเทนวัตสิบแปดประการให้บริบรูขออยู่ต้องมีวัตนนของพิสุท์ผู้สุสงลงบระาชนีกรรมให้ดีหเอา ก, ก็เรืนี้มครับเพราะว่า ที่สุผูตสง์ปรับพายชนียกรรมก็บอบอกพุทว่าคล้ายคล้ายข้าพนิวาสสบแปดข้อนะเรืธรรมดานะครับต้องบอกพุทแก้ตัวน่าบอกหายเยอะอยู่ก็พุทแก้ตัวนะครับกรับตั ว, ต ว, ตวกลับใจไม่ทำนะที่นี่นะครับก็มีว่าไม่ถึงให้หอุปสมบทไม่ถึงให้นิสัยไม่ถึงใช้สำนิยมประทานไม่ถึงรับสืเป็นผู้สังสอนพิชฌณี เป็นต้นเหมืนกันนะเพราะาองค์ไอจะคล้ายๆกับอาวัดพิสูจนมเพื่อเพื่อปฏิวัติะจะท้ายกันนะแต้ก็ในสุดท้ายเนี่ยไม่มีช่วยพิสูจนกับพิสูจน์ที่สุดที่ก่อนแต่ใ น, นรปริวัติเ่าเจอเพอราะจบธนาคารพิเศษนี้แล้วนะครั บ, บรธนาคารพิเศษแล้วตอนท้ายนะท่านเจอที่บารเรื่องปฏิวัตเกี่ยวกับอยู่ปริวาตนะั่จะได้รู้นนรอันนี้จะบอกว่า บําเพ็ญว่าสิบแปดสก a า g a ให้บริบูรณ์ขออยู่กรรมอันสองพึงละกัสองก็จะละกับกรรมและแม้ที่สูงผู้มีกรรมละกับแล้วนั้นตนทมปุรชุสกรกรรมไว้ในตระกูลเหล่าใดในการก่อไม่ควรรับปัจจัยจากตะกูลเหล่านั้นแม้มรุ่นความขึ้นไปอาศวังแล้วก็ไม่ควรรับโหอยากเลยนะขณะสองก็ลงกรรมแล้วหรือว่าท่านปฏิบัติจะบราารลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะ มันก็ไม่ได้รับนะครับปัจจัยเหล่านั้นจัดเป็นของไม่สมควรแท้ถ้าบอกว่าเมื่อพิสูจน์ถุงทายุข่าวว่าทําไมท่านจึงไม่รับเข้ า, า, าก็แปลกใจใช้ไหมทำไมไม่อยอมรับบ้านเขาหรืบ้านอื่นรับอยู่เขาก็ถามนะครับท่านก็ตอบว่าเพราะอันนั้นได้กระทําไว้อย่างนี้เมื่อก่อนก็ลรางฝั่งต่อมาไปไปจบไปแก้งอะไรโยมนะแล้วก็ได้นั่นมาตอนนั้นน่ะ ดนี้ถ้าพวกชาวบ้านกล่าวว่าพวกผมไม่ถวายได้เห่ยอย่างนั้นถวายก็าท่านมีศีลบัตินี้ต่างหากเล้ควรรับได้นะครับต <Okay. S 1> <ม>้ใชีช่วันนี้ก็ะรู้นะ น, นุญนี่นะไม่าไ ม, ไม่ไม่ค่ อ, คอยมีใครโดลนลงคาชิเนะดาวนะหา ย, ยากนะให้ลดภษกกรรมเป็นกรรมอนพิสุทผู้กระทาในสถานที่ให้ทานตามปกติที่ก็ถวายทานปกติแล้วนะครับ จะรับทานตามปกติจตฐานที่นั้นนั่นแรงควรอยู่ทานนิทานโยธหวานเพิ่มเติมไม่เกอนละกรณีข้อถวายเพิ่มเตข้อเตือนจะเป็นจบใช่ไหมแต่ธรรมดาข้อถวายอยู่แล้วไอ้ทานธรรมนาที่ข้อถวายเป็นประจำที่จะประจบหรือไม่ประจบข้อถวายอยู่แล้วนะคับอันนี้รับไหมเคยได้ยินว่าโยมที่วิสุทธิประจบเอาไว้นะเท่ากับวิสุรุนั้นจะรับนี้ไม่ได้แล้วจากตะูนั่นครับ เกิดเขาสงสว่ายึดทางนีนน้จะเป็นทางที่ที่สุดนั้น ป, ประจกเอาไว้หรือเปล่างนี้พก็ราบไม่ได้นะครับค<ง>ือคือที่ให้เรนี่ไม่ได้พูดเลยครับเพราะว่าพอเวาลาประจกข้อก็กระจกแต่รับลูกไป น, นะครับที่แบบระจกมีคุ้นเคยกับโยงนะครับให้่ให้่โยงพ่จะจำท่านเอาไว้แล้วก็จะเอาอะไรมาให้ท่านนะครั บ, รบแล้วก็ความเป็นป้ารันที่ว่าไม่ได้เป็น เอาชั้นดีชั้นเดียวเอาชั้ดีค่ับครับอันนี้หมายถึงว่าต้องถึงโรบพาบนีกิกรรมก่อนครับถ้ายไม่ถึงโรงลยลก็ไม่ถึงขนานนี้ครับนี่รนี้เองคือที่ไม่สามารถไปรับได้ต้องราบานี้ช่ใช่ครับถ้าคือรไฟเหล่านี้ยรับได้ยรับได้ ถ้าท่านเอาแบบเพื่อแก้ตัวยังไม่ถูกเราทานรองหลอกแต่ก็รู้แล้วใชนั้นแล้วก็เลากพฤติกรรมนะนะครับสองก็จะไม่ลงลงถาสมสืรรม่อดีกลับได้ได้ก็คือเมื่อก่อนอยู่วัดข้านต้อมีข้ามรูปหนึ่งท่านก็ไม่เคยรู้อะไรนะคือท่านก็พรู้นะครับแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ไปนะท่านไปทําไอโอโซนะอะไระปุ๋ยชีวภ <c oughs> <c oughs> าพก็ความวิทยุไอเรื่องกเกษตรีะนะครับ แล้วมีการพูดถึงปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรอย่างนี้นะท่านก็ฟังมาท่านก็สั่งรื่องสั่งว่เชื่ออะไรกันนะท่าน <c oughs> ก็มาทามาบอกสูตรให้โยมแล้วผมก็จะให้อะไรเขาด้วยนครับแล้ให้โยมไปเขาปลกถัวปลูกอะไรกันนะนะท่าก็ให้ทนก็ไม่ได้คิดเหมือนทินชาหนอะไรอย่างนี้นะก็คิด ว, ว่าช่วยชาวบ้านนะและทีนี้เนี่ยก็เลยมีการมาคุยเป็นที่นี้นะครับท่านก็ท่านก็ล้องใจ้เพราะเขไม่ถูก แต่นัไม่ได้ถูรมภาจีกรรมนะครับท่านรู้ว่าไม่ถุนไม่ก้อนลนะที่ยังกรับกระบาดาอ่เยรสก็ทนเป็นบี้อครับครับใชมาไม่รู้ครับก็บางที่หนักขนาดบานะไปช่วยโยมเกี่ยวข้าเลยทขาะเสโอ้ไม่ได้เลยครับหมเยอะเลยนะเยอะแยะมากมาครับ ครับ <c oughs> อันนี้นะครับเอ่อลองมาดูหน้า91เขียนการหายถ้าในทยกระสานใหม่เนี่ยผมจะจดไม่ให้นะครับอท <c oughs> ี่ว่ายที่กับอะไรฉันร่วมภาชนะเดียวกันดืมน้ำ น, นะครับร่วมขันใบเดียวกันที่กับผู้หญิงเมื่อวานนะตอนนี้แม่ไม่ใช่กับผู้หญิงก็ไม่ได้นกันนะครับผ <c oughs> ู้เจ้าตัดไว้หน้าในย่อดน่ะข้างล่างสุดท้างเนี่ยผมจะเขียนลม่ให้นะ ดูในฐานภาษาใหม่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว, ว่าดก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันร่วมภัชนะเดียวกันไม่พึงดื่มน้ําร่วมขันใบเดียวกันไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกันไม่พึงนอนร่วมเครื่องล่าชเดียวกันไม่พึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกันไม่พึงนอนร่วมเครื่องราชและผ้าห่มผืนเดียวกันลูกใด น, นอนต้องอันบนตุกตกตั้งแต่คำ ว, ว่าฉันร่วมภาชนะเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนนะครับวินิจฉัย วินางานสำมานาครั้งแรกนะอาจารย์ก็บอกว่าหมายถึงการเวลาเลือกอาหารก็ตักพร้อมกันอย่าเลือกอาหารตักพร้อมกันไม่ได้แต่นี้ทีหลังท่านไปดูเพจชนนาแนลใหม่นะว่าไม่เป็นไรตอนเลือกพร้อมกันได้หมายถึงเวลาฉันร่วมวงเนี่ยนะและท้งสองล ก, ก็ตักพร้อมกันครับในจานเดียวกันนี่แหละแล้วก็ตักพร้อมกันเลยนะครับอย่างนั้นไม่ได้ต้องร้อยคุณในคืนตักก่อน้ะเราค่อยตักนไม่ตัดพร้อมกัน ในชว่อในจานในต่างเนี่ยผมมันจะไปข้าว่าฉันร่นวมกันฉันร่วมบรรณาธิการครับตอนนี้ก็มีอาบถูกบ้องเนี่ยยังไม่ยังไม่เป็นอาจารย์ผมยังไม่เอาครับในนี้ไม่เป็ น, น, รนไรไม่เป็นไ ร, ไนไรแต่ตอนแรกนะเขามีแถวว่าไม่ได้นะเนี่อจานฉันไปดูอะไรใหม่เยนชนะอะไรใหม่เขาบอกว่าได้ครับแม้ตอนที่ฉันจริงนะ อือเวลาฉันร่วมบองทุนัน่ายไม่เคยดื่มน้าร่วมขันใบเดียกัอันนี้เราฉันอะไรงพร้อมกันนั่นแหละพาคงจะยากนะเพราะันจะเล่นนนเล่นสนุกอะไรเข้าไปนะเข้าไปนั้นนะก็ไม่ได้แหละจะไปดื่มยังไงแก้วเดียวเออถ้าสมัยนี้อร่อยสองอันใช้ครับได้นแหลครับไม่ได้ครัไม่ได้อนี้ แล้วก็ไม่ควรนอนร่วมเตียงเดียวกันนะครอันนี้ไม่ได้เลยนะเตียงในการกันยึงเตียงใหญ่ก็นอนได้แค่ลูกเดียวนะครับเป็นค้าเนี่ยจะนอนร่วมกันไม่ได้นะครับไม่ควรนอนร่วมเครื่องหรักเดียวกันถ้าเป็นเชรื่องรักอ้าวแล้วก็ปูเสื่อ ย, ยะๆอันนีเนี้ยพื้นใหญ่ไปเลยครับเราก็ภาพปูของเราเฉพาะนะครับปูตรงเกาะนะครับอย่นี้หรือแม้ว่าถ้าไม่มีภาพปูจริงๆนะ ท่านบอกว่าเอาผ้าจีวรขั้นปลายนล้วนะครับหรือเอาไม้เท้าหรือแม้แต่เอาบคัคคอดเอลขั้นปลายมาให้ก็ถือว่าทำไม่แยกกันได้นะครับแต่ถ้ามีผ้าปูนอน ก, ก็อันนั้นก็ชัวร์ครับอันนี้ได้นะท่านคุณเไม่คึรนอนร่วมข้าของผืนเดียวกันอันนี้โอ้สมันยนี้ผงไม่มีนะน่าจะมีผ้าน้วนเหมือนกันเด็กๆท่านนั่งที่กับน้องนอกของผ้าม้วนเดียวกันนี้นะ ก็ไม่ได้นะครับ hmm. อันนี no ้ของคนนั huh. ้นนะข้าและข้าวเหไม่พิงน้องร่วมเครื่อง่างและผ้าห่มผืนเดียวกันแะ่แม่ก็มีขนานนี่นะไอข้าวอไอยผ้าห่มนะปูน้องแล้วก็ห่มตัวด้วยนะเอาชายผืหนึ่งปูน้อยชายผืนหนึ่งห่มอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นอกนแอบนี้เส่ให้ ก็ถือว่าจบนะครับจแล้วสบาปนี้วได้หนเรื่อนั้นทำอะไน้มาดูในกลมาดูในอง์สถวิธีก่อนนะครับนอนเอาผ้าา้าูลเอ้าผมมาคลุมตัวเอก็ไม <you know ่ได้เอาผ้าปี๊่ใงไม่ได้ครับ จะมีอับทุกกฎนะ <c oughs> จะอยู่ในนั้นนะครับแต่นี่หมายถึงร่วมกันนะแต่ที่เจอเนี่ยท่านใช้คํำว่าอะไรนะ <c oughs> เอาผ้านะครับท่า น, นาาใช้คำว่าอใช้จีวรกับผ้าผมอันเดียวกันผมจำจุดนู้นไม่ได้นะห <c oughs> มายถึงเออผ้า น, นั่นแหละนะครับเอาไว้ปูนอนด้วยแล้วก็มานุ่งด้วยเอามาผมด้วยครับแต่ที่หมายถึงว่าคนเดียวนี่แหละของเรียนนี่ก็มีครับมีไม่ได้นะ ผมจีวรนอนได้แต่เนี่ว่าอย่าเอาปูนอนด้วยนะครับแล้วก็มาห่มนอนด้วยครับแพันอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ปูนอนไม่เป็นไร น, นะครับลักษณะนันก็ว่าเราเรียกว่าอะไรนะเอาชายข้างหนึ่งใช่ไหมปูนอนไปแต่มผืนใหญ่ น, นะครับอีกข้างมันก็มาผมคุมใช่ไนะครับพันตัวมันก็พันใช่ไหมหอาจจะไม่พันทั้งหมดนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ครับ ผมควบคุมผมอย่างเดียครับถ <Robin 1500. |notimestamps|> ้าทอย่งทย่นี zy, zenie, ้นเอ้ยทุกเกไม่มีน้ยังไม่มีถ้าถ้ามีเราเวลาเราห่มแต่ว่าลราไม่ได้ปูนอนทับเลตรงใช่ไหมแต่เราจะเอาหาทับเอามือทับไว้สอไปในตัวนัดหน่อยหนึ่งเพื่อ้มันยึดใช่ไหมครับ นี่ผมไม่ถือว่าปูนอนนะครับเราไม่ได้ผมหรืเซมันทีนะใช่ไหมเราก็ต้องมายึดกดตัวให้มันแน่นๆนะคุมนหะัวท้ายอะย่างี้ยครับนั่นะผมไม่ถือว่าเป็นปูนอนนะครับ้ต่อไปนะครับต่อไปเอามาดูในในปรสรรควิธีค่ะตั้งแต่ที่บานนะทองสรุปนะ ร้อยห้าสิบห้า่ังหลายอาบัต ท, ที่ชื่อว่าสังฆาทิเศษสามสิทธาบทซึ่งจำแนกเป็นปัตมาปัติกาต้องเมื่อแรกทำเก้าข้อแรกและยาวตติยากาตต้องเง่อสวดสมณภาคกรรมครบสามครั้งสี่ข้อหลังข่าพเจ้าสแสดงแล้ว บรรดาอาบัตทั้งสิบสามข้อเหล่านั้นที่สุรูปใดต้องอาบัตข้อใดข้อหนึ่งและรู้อยู่ว่าต้องอาบับติย่อมปกปิดไว้ไม่บอกแก่ผู้อื่นทั้งทั้งที่สามารถจะบอกได้เป็นจำนวนวันเข้าในงานกี่วันที่สุรูปนั้นแม้ไม่มีความต้องการ ก็ต้องอยู่ปริวาสให้ครบตามจํานวนวันเท่านั้นที่สุผู้อยู่ปริวาสครบแล้วหลังจากนั้นพึงปฏิบัติเพื่อให้ที่สุทั้งหลายยอมรับนําถือประพฤติมาณะอีกหกลาศีที่สุภูตประพฤติมานแล้วในวัดในมีที่สุสง ที่มีคณะยี่สิบรูปในวัด น, นั้นเพื่อทำอภรรยากมเรียกเธอเข้ามุงแก่พิสุรูปนะั้นถ้าว่าพิสุสงมีคณะยี่สิรูปเข้าไปแม้เพียงรูปเดียวเพือ่ออภารคพิสุรูปนะั้นเธอเป็นอันไม่ได้อภรราและพิสุผู้ทำกรรมเหล่านั้น ก็ควรถูกติเตียนด้วยท่านปฏิอาบัต ท, ทุกกฎวิธีทำดังกล่ามานี้เป็นวัดที่ดีนามไม่ขัดต่อการบรรุโลภุตระธรรมสำหรับที่สู่ผู้ต้องอาบัติสังฆาพิเศษท่าต่อถนะ้าพระเจ้าขอถามท่านท่้งหลาอาบัติสังฆาพิเศษนี้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองและท้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สาว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาบัติขันธาทิเตนี้ดังนั้นจึงนี้ท้าพระเจ้าทรงความก้อนัดไว้ด้วยการการอย่างนี้ สังหารที่เสด็จแท้ตรงนี้คำสรุปนะครับเขาว่าสังหารที่เสด็สามข้อก้าข้อแรกเรียกว่าปฐมาปฏิการต้องเมื่อแรกทำคือมันทำเขาอมปุ้มหนึ่งทาต้องตา้งบัดเลยตั้งแต่ข้อแรกอะไร น, นะทำฤทธิงจีให้เคลื่อนใช่มครับทำฤทธิงจีให้เคลื่อนเขาคืนการหญิงค่นะครับแล้วก็พูดว่าจารางมกับผู้หญิงใ่นะครับ ผว้ผู้หญิงผู้รอดหญิงมรดงด้วยการอันนี้เป็นสรุปนะครับแล้วก็อะไรช่างสื่อนี่ครับช่างสื่อแล้วก็สร้างกุฏิอะไรสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมครับใหญ่เกินประมาณไม่ได้ส่งสแสดงที่ให้นี่ครับแล้วก็สร้างกุฏิที่มีเจ้าภาพแต่งมาได้ส่งสแสดงที่ให้นะครับอันนี้กำประมาณหน้าไหครับถ้ามีเจา้าภาพแต่ว่า ทำมาในส่งแสดงที่ยังไม่เป็นงานพิเศษแล้วก็อะไรนะนะคะโโรับออโกรนะคะโโรับโกรไม่พอใจโจทย์ที่สุดอื่นด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมุนะะมข้อที่๕กโ็กลอโอนไม่พอใจนะครับอ้าวเล่นนะถืออ้าเล่อะไรบางอย่างน ะ, ะโจทย์ที่สุดอื่นด้วยแบบปราชิกไม่มีมูุมข้อแรกนะถ้าทําไปข้ระองค์ก็ต้องเลยนะครับ ไม่ต้องร้ อ, อยสองมาเสืออะไรนะต้งไงส่วนสี่ข้อหลังนะครับสี่ข้อหลังเป็นอะไรข้ออะไรตะเกียร์ตะกายทําลายสงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฝักฝายนะกับพิสูจที่พยายามทําลายสงว่ยายากสอนยากนะครับแล้วก็กระจุกพฤหัสนะครับสี่ข้อนี้นะครับสี่ข้อหลังนี้นะครับ ต้องรอให้สงนะส่วนสมุนไารสำนักรรมครบสามพันต่อนะครับที่จะต้องบัตรธนาคารดีเสร็จนะครับต่อไปนะครับทีนี้พี่สุดที่ต้องอ่านบัตรธนาคารดีเสศ็จข้อะไรนข้อหนึ่งนะนะถ้าต้องอ่านบัตรแล้วจะเลีงรู้ทางรู้นะว่าต้องอ่านบัตรนะครับแล้วก็ปกปิดว่ามียอาบอกให้อาจจะอายนะแต่ไม่ยอมบอกใครนะทีนี้ปิดว่านานเท่าไหร่นะครับก็ต้องอยู่ปริวานานเท่านั้นนะ ถ้ากับวันที่ปิดไว้ถึงไม่อยากจะอยู่ก็ต้องอยู่ถ้าอยู่ไม่ครบก็ไม่พ้นนะทีนี้อาจารย์ตอกเลขให้ข้อหนึ่งคนระับไม่รู้ว่ามีอะไรปริว่าที่จกกัดการในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นิยมให้อยู่สามวันโดยไม่มีการคํานึงว่าที่สุที่มาอยู่ปริว่านั้นได้ปกติดอาบัติหรือไม่หรือปิดไว้กี่วันจึงไม่ชอบหลักฐาน บางที่ตามสาวปริว่าใช่ไหมเขาบอกสงบนายใหญ่แ really ต่ไม่ใช่อย <|so|> ู่ปริว่างในสาวเท่านั้นตัวเย็บผีมันเป็นสิบี่สิบวันอย่างนั้นไม่ได้นะสต่ว่ามันเป็นใหญ่กลางทางตามวี่ไหนครับเป็นใหญ่นอกคำนอกวี่ไหนไม่ได้อย่างนั้นมัเป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นปริว่าต้องดูตามกรณีถ้าเขาไม่ได้ปกปิดอาบัติเขาก็มันจะเป็นต้องปริว่าใช่ไหมครับก็ประพืชขอขึ้นมาได้เลยถ้าปกปิดอาบัติก็ต้องให้ปริว่านะให้อยู่ปริว่าง ตามวันที่เขาอยู่นะครับแต่ว่าจะอยู่เผื่อไว้ก็ได้นะในเอกสารเขาพูดถึงอยู่เผื่อไว้ก็ได้เผื่อว่าวันที่อยู่วันใดวันหนึ่งน่ะมันเกิดเสียเวลาไม่รูตัวนีนะครับเราที่อยู่เผื่อไว้ก็ได้แต่เวลาส่วนแล้วก็สวนทางวันที่ปิดนั้นนะแต่ว่าเวลาอยู่จรงิงเผื่อ ไ, ได้นะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเมื่อพืชปริว่าแล้วนะครบแล้วใช่ไหมก็ต้องมันขึ้นมาหนัก มันนั่นก็คืออย่างเงี้ยอาจารย์ไปให้คำนวณนี่เข้าใจง่ายเลยมันั่นก็คือการปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นงตร่องหลยอมรับน้ําถือเพราะมานท่านเป็การน้ําถือนะครับเนี่ยอีกหงราตรีนะเพราะว่ามาขึ้นมานั่นเนี่ยเข้าเาไปขื้นนอกว่าใช่ไหมต้องใช้พาะสี่ลูกนะครับอย่างน้อยสี่ลูกถ้าข้ามเป็นปริวา น, นอกวัดเนี่ยทาถ้าไปหลุมเดียวก็ได้ใช่ไหมเนี่ยนีะครับหงราตรีนะ พอบุปริลาเสร็จแล้วมัน่ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาขออภารฉันบอกว่าในวันใดมีพิสุส่งเขายี่สิบรูปคณะค้องสิบรูปนะก็ให้เขาเอาพาในว่างนั้นที่นั้นนะครับเอาพาไปว่าเรียกเธอเข้าหมูนะแต่จำนวนของเราเราใช้คําว่างอะไรออกอพารอันนี้เข้านะอภารการที่เข้าหมูนะครับที่เวลาเราออกอภารนั่นอะใช่ว่าออกเพราะว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม ของการออกอาหารพิเศษนะครับเรวก็นิยมใช้วคว่าอ่อถ้าไปเจอใครพูดว่าข้าออาอ่ำนี้นะ<ม>ก็อย่างงงนะครับว <l ots> ่า็อาวอ่ำมันเป็นการเรียกข้าหมูนี่นะาาข้ า, าข้าอครับเป็นตตยาปตตยาุีออด้วยอาหารนะครับทีนี้ แต่ว่าถ้ามีพิสูจไม่ครบยีสิรูปนะได้แค่สิก้านี่นะครับและอภารพิสูกรูปนั้นพิสูกรูปนั้นไม่เป็นอภารครับถือว่ากรรมไม่สงเหล็นุนะไมนเป็นอภารก็ยังอาปบัตติตัวนะครับแล้วพระสงฆ์ที่ไปอภารให้ท่านนะไม่ครบยีสิบรูปนะก็จะต้องอบัทุกกดด้วยครับบัทุดกดนะอืมนนี้นะครับที่บ้าค่าท่านนี้ทนไม่อยากอะไต่อไปนะครับในกางขาท่านจาที่บานเรื่องตสอม อันนี้มากสนนะเพราะว่าเป็นเรือสร้างตัวธรรมตเป็ตนตองเลยนะครับก็ไปดูมานะดูเต็มเต็ทนที่นะเอียดปริวาครับนี่ถ้องใครต้องการเวลาลนะเอียดเกี่ยวับปริวาสพิสดารเลยนะก็ใหไปดูได้ในพวิญญาีกดอกเล่นที่แานะครับ <8. S 1> เนงเราดูสารลาบันหน้าสารลันจะบอกหนะ้ ใ น, นน่าในน่าในน่าเด็กเล่นแปะผมก็เขียนให้นัมีสืขเขียนให้เหมือนกันในทางหาฉบับที่ถามกันม า, ามาดูนี่นะครับหน้นทาที่สองคำอธิบายนะอธิบายคําสรุปในคําว่าอุทิศหาโถไปเอวเมตังทารยามินิอ่าเก้าสิกขาบทแรกชื่อว่าปฐมปฏิกันเพราะจะต้องอา่านบทตั้งแต่แรกครับ อธิบายว่าต้องอาบัตในขณนะที่ล่วงละเมิดตั้งแต่ทีแรกนั่นเองส่วนสีส่คำถามบนที่เหลือพุ้งทราบว่าเป็นยาวัค ต, ติยะกะเพราะผู้ละเมิดต้องอาบัตหลังจากสองส่วนสมุนธาสมมุนธาจบลงเหมือนอย่างโรคเกิดซุดลงในวันที่สามวันที่สี่ชางโลกเรียกกันว่าตัติยะกะโรคที่สามจุดเจดตุจกกะโรคที่สี่ครมันจะมีโรค บ, บางอย่างนะเชื้อโรคเข้ามาในตัวแล้ว อาการไม่ปากร์คนเดียวนะครับมันใช้เวลาฝัตัวก่อนใช่ไหมมาอยากก็ฝังตัวสักสามวันอยากก็สี่วั น, กก น, นครับและถึงจะเกิดอาการสุดตัวน ะ, นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านก็ออกมาอันนี้นะครับต้องมีการสรวจสมุนทุพยให้เป็นครบจบครับที่จต้องอาบั น, นะครับคําว่ายาวตีหางแปลว่าปกปิดอาบัตไว้สิ้นวันเท่าไครับต่อไปท่านก็จะอธิบายนะ เกี่ยวการปกปิดอาบัติปกปิดอาบัติยังไงชื่อว่าปกปิดแบบไหนชื่อว่าไม่ปกปิดนะอาการปกปิดอาบัติคําว่าชาลังปฏิชาเทติครความว่ารู้ตัวอยู่ปกปิดอาบัติ น, ะนั้นดต้องรู้ในอาการปกปิดนั้นมีหัวข้อในลักษณะปกปิดอาบัติดังต่อไปนี้ อาการปกปิดอาบัตมีสิบอย่างนะครับก็ต <g> ้องเนี่ยสิบอย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็นปกปิดนะครับคือหนึ่งเป็นอาบาัตสองรู้ว่าเป็นอาบาัตสามเป็นประกตาศตักพิสูจน์ประกาศตักิสูจน์พิสูจน์ที่ไม่ได้ถึงยกวัด น, นะครับไม่ได้เป็นประราชิกแล้วก็ไม่ถูกสงยกวา่ายกจมูกขนาดนะครับ Så สี่นะครับรู้ว่าเป็นประกาศตักพิสูจน์ ห้าครับไม่มีอันตรายหกรู้ว่าไม่มีอันตรายเจ็ดเป็นผู้สามารถแปดรู้ว่าเป็นผู้สามารถเก้า 9. ต้องการจะปกปิดอาบัตสิบปกปิดอาบัตทีนี้ท่านก็จะอธิบายนะจิละข้อเป็นไงนะครับคือตอนแรก ในการปกติอาบัตเหล่านั้นคําว่าเป็นอาบัตรู้ว่าเป็นอาบัตคือพิสูจต้องอาบัตได้อาบัตนั้นเป็นอาบาัตชนทาทิเศตข้อใดข้อหนึ่งในบารดาสิบสามข้อและพิสูุนนั้นก็รู้ว่าเป็นอาบัตในนบรรดาอาบัตเหล่านั้นก็รู้ว่าเป็นชนทาทิเสตนะครับเนื่องด้วยข้อประพฤติว่ากรรมนี้ไม่สมควรแก่พิสูจหรือเพี้ยนชื่อว่าการร่วมละเมออย่างนี้จัดเป็นอาบัตประเภทนี้ มันก็จริงลักษณะ น, นี้นรู้ว่าตัวเองต้องสังฆดิเศธแลนะครับหรือว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นอาบะอะไรรู้ถต่ว่าตัวเองต้องอาบะแลา้วสักอย่าง น, นะการกระทำนี่นไม่สมควรกับท่าเรามันผิดวินยัยเป็นอาบะนะครับ <c oughs> แค่รู้แค่นี้นะก็ถือว่ารู้ได้แล้วนะครับถือว่ารู้แล้วนะครับนี่แหละแต่ว่าเพื่อนจะบอกนะถ้าต้องบาาัาฑิเศธแต่เข้าใจว่าตัวเองต้องบัณฑิตีคือต้องอาบะหนักนะ ถ้าใจาว่าเตืนต้องมาเป่านี่น ะ, ะับนี่ก็ไม่เป็นงันปก ป, ปิดนะครับต้องรู้ด้วยว่าเตือนต้องมาสารเสพตนะหรือรู้รู้รวมรวมไปนะว่าเป็นงบาลลัตรอะไรสักข้ออไอย่างนี้ครับแล้วปกปิดนี่เป็นงานปกปิดสงสัยยัง่เอาครับสงสัยก็ยังไม่เชื่อว่าปกปิดนะต้องรู้นะครับใช่ใช่ใช่ยังไม่เอาคอรับล้วก็เปิดไว้ความบอกความสงสัยน ะ, ะแต่ก็ทํา ก็คนที่จะบอกความสงสายเพาะว่าใจจะเศร้าหมองอได้นี่นะแต่ว่านี้ไม่ใช่่าปกติดนะครับไม่ใช่่าปกติดเต้องรู้นะครับต้องมีองค์นี่นี่รู้นะครับแล้วก็เป็นกู้ไข่จะปิดนะครับเป็นกู้ไข่จะปิดอาบัตอย่างนี้ว่าบัต น, นี้เราจะไม่บอกอาบัต น, นั้นกับที่สุแม้แต่รูปเดียมยนี่นะได้นครับนี่อาจารย์ทนบอกว่า ไอ้ต้องแล้วไม่ต้องอายหรอนะครับให้อายก่อนที่จะทําทนะียอายทีละตอนก่อนที่จะทํานี่อายไว้ให้มากนะครับอยังพยายามเลยแต่พอถ้ามันพลากแล้วนะไม่ต้องอายนะครับปิดเผยไปเลยถ้ายังอายอยู่ไม่ยอมเปิดเผยนะทีละต้อนจะมีว่านานนะครับนนะนะครับเนี่ยแม้แต่ลูกเดียวเนาะทอดทิ้งทุระจนอรุณขึ้นนะครับอาบัตที่ว่าเป็นอันปกปิดนะ แล้วก็ไปสูจนั้นก็จะต้องแบบ ท, ทุกกอดเพิ่มตัวนะครับเพราะว่าตั้งใจปกปิดอาบัตนะแต่ถ้าสําคัญว่าไม่เป็นอาบัตเนี่ยเข้าจะว่าไม่เป็นอาบาัตใครพูดผ้าไหมไม่รู้เรื่องนะเข้าจะว่าคลั่งทได้นะครับหรือสําคัญในอาบัตนี้ว่าเป็นอาบัตประเทศอื่นเข้าจะว่าเป็นอาบัตเบาะนะความจิตกกตีทุกกอดทุกฟาสิตอะไรไปนะครับอ่าหรือมีความสงสัยอาบาอัตนี่ไงชัดเจนนะสงสัยไม่แน่ใจ ชื่อว่าไม่ได้ปกติดเลยต้องรู้ทั้งรู้นะที่เราเราพอเราดูมาออกมาดูกองค์พวกนี้นะครับเราจะได้ไม่ใช้ได้นะบางทีถ้าตัวเราเองหรือว่าคุณเข้ามาถามเรจะได้บอกเขานด้ <c oughs> คาว่าเป็นปะกะตติคือเป็นพิสูจน์ผู้มีสังวาสเสมอกันกันกบสงฆ์ยังไม่ถูกยกมัดเนี่ยหากพิสูจนั้นรู้ว่าตนเป็นปะกะตะัตินะครับปกปิดอาบาดดัตโดยนายดังกล่าวแล้ว อาบัดชั่วเป็นอันปกปิดแต่ถ้าตัวเองเป็นประกาศตานะแต่เข้าใจว่าไม่เป็นประกาตานะครับถุงย่องว่ามีสังว่าไม่สมมติสองแล้วและท่านก็ไม่ได้บอกใครในี้ก็ยังไม่ชั่วปกปิดนะครับรู้ทั้งรูเป็นตัวเองเป็นปกตศตานะแต่ว่าถ้าเป็นที่สูตรที่มันไม่ใช่ประกตศตาถุงย่องว่านนะตรงนั้นถึงท่านติดนะครท่านก็ไม่เป็นอัติดครับเพรามีสังว่าไม่สมมติสอง อืก็เคยมีเล่าเรื่องครับพระที่เขาเขาต้องพระฤาษีมีพระบวชใหม่ครับเขาก็ไม่รู้วิธีอะไรทํายังไงนะเขาปึกิดเข้าถามพระที่บวชก่อนนะว่าทําได้ไหมอย่างนี้ครับอืมทําแล้วเป็นอะไรมากไห อ, อาพาคที่เขาบวชใหม่เขาบอกมันก็ทําได้อยู่แต่คําว่าต้องบอกนะต้องบอก <laughs> เขาก็บอกว่าทาสัญลักษณ์นะไม่ต้องมาบอกในตรงก็ได้ถ้าท่านต้องเมื่อไหร่นะท่านโดนข้อนี้เมื่อไหร่ท่านก็ใช้สัญลักษณ์นะเนี่ยถ้าชูสองนิ้วเพื่อนจะรู้ว่าท่านทําแล้วชูสองนิ้วนะครับน่หละทีนี้พอท่านไปโดนข้อนี้เมื่อไหร่ท่านก็ชูสองนิ้วเพื่อนราจะรู้ว่าเนี่ยท่านไปทํำแล้วครับท่านก็คาดว่าไม่ได้ปกตินะเพราะว่าคุยกันแล้วว่าสัญลักษณ์นี้คือทานะครับอย่นี้ก็ไม่เชื่อปกตินะครับ เพราะว่าท่ามนมันจะท่านถือว่าเปิดเผยแล้วนะคืุณก็รู้กั น, นครับมีอย่างนี้ด้วยนะครับเนะ น, นี่ยการกระจายเยอะนะคำว่าไม่มีอันตรายคือบรรดาอันตรายมีพระราชาโจรไปนะมนุษย์อมนุษย์นะครับสัตว์ร้ายงูอันตรายแก่ชีวิตและอันตรายของพรหมจรรย์สิบอย่างนี้ แม้อย่างใดงอย่างหนึ่งไม่มีแก่ี่สู่น์ใดหากที่สูจนนั้นเรารู้ว่าไม่มีอันตรายปกปิดอาบัติอาบัติถือว่าเป็นปกปิดนะครับรู้ทั้งรู้นะก็ไม่มีอันตรายหรอกกระทั่งเช้ น, นงูอะไรก็ไม่มีสักอยางแล้วก็สามารถไปบอกให้มันมีอันตรายใช้นะครับท่านไม่อยอมไปบอกนะเที่ว่าเป็นปกปิดนะครับตอนนี้ยความยินงใหนี้่านจากอธิบายไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นพิสุจน์ที่ปกติที่กลัวนะถ้าที่อันตรายไม่มีนะครับแต่ท่านคิดเอาเองว่ากลางคืนเนี่ยมันต้องมีงูมีเสือมีอมนุษยมาทำร้ายพาดีออกนอกบุตรีนะครับท่านกลัวท่าน <ś led> คิดว่าต้องมีอันตรายแน่เลยท่านนี้ไม่มีหรอกนะครับและท่านก็ไม่ไม่เดยเปิดเผยนะอย่างนี้ก็ไม่เชื่อว่าเปอันตรานะครับเพราะท่านเข้าใจว่ามันมีอันตรายอเพราะองค์เน่ยมันมีบอกว่า ไม่มีอันตรายรู้ว่าไม่มีอันตรายใช่ไหยครับอันนี้ไม่มีอันตรายแต่แค่เขาเข้าใจไปว่ามีอันตรายอย่างนี้นะก็ไม่เป็นอันกิยต้องต้องรู้เลยนะว่า ม, มีอันตรายนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอันตรายจริงเนี่ยแต่ท่านเข้าใจว่าไม่มีอันตรายแต่ท่านก็ไม่ไปบอกอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันต ร, ยริย์นะเพรามีอันตรายอยู่มันจะมีเงือ่อครับสมมติว่าเขาทำอาบัติแท้จริงไหครับ การไปคืนเนล้วเขาเปิงอับตค่ะนั่นคือว่าปิดอารุณคิดว่าอารุขึ้นแล้วก็อะมันมีอันตรายไหมเมื่อคืนเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรมันได้หมดใช่ไหมต้องอาบัตรู้ว่าต้องเต็มกอะตักก็รู้ตัวไม่มีอันตรายก็รู้สามารถบอกได้ก็รู้ต้องการจะปกปิดมันก็เกินอับัตนะอ่านั่นนะครับเชื่อปกปิดแลอ๋อก็คือว่า ตัวนี i, a, rồi, đ đ á, ่ยังไม่บอกใครหรอโอ๊ยขี้เกียจไปหรือว่ามันเด็กแน่ไปบอกใครใช่ไหมตรงนี้ก็ล้กันเอนี่ะก็ไม่ได้แล้วเราให้อารมณขึ้นก็เสร็จเลยก็ต้องเลยบอกเพื่อนก่อนพอบังตื่นช้าตีสองตีสามอะไ้อมาบมันมันก็ต้องแต่ว่าไม่ปฏิบัติตีสองตีสามก็ไปแหละหาข้างไหนที่เป็นข้าวเช้าบอกคนเดียวได้บอกคนเดียวได้แล้วเราก็ไปเปิดเลย นม่ได้ไ่ได้ต้องบอกทลาด้วยใจค่คิดแล้วันจะบอกตรงนี้แต่พองนี้คิดแล้วมคือปกนะอรย์อลไปองครั้งสอครั้ต้องมาดูองครับ้องมดูองนะเขาองหรือเปล่าต้องการจะอกเป็นนินเราไม่มีใช่ไหมไม่ตอการต้องการจะเปิดเผยเลยนะครับแต่ว่าลืมไปนี่หมก็จะว่าไม่ได้องนะ ถ้ามาลึก อ, องค์ออสุดท้ายนะครับเพราะใจต้องการบอกอยู่ันไม่ ม, มก็จะไม่ได้ะครับไม่ได้ครับไม่ใช่นะหมายว่าแม่งเป็นนักเด็ก<น>เพราะว่าถ้าไม่มีใจที่จะติดนะครับ้าอยากห้ที่บอกว่าไปมันจบแล้วเนี่ยไม่ใช่มีใจจะไม่บอกวันนี้คืนนี้ไม่บอกนะเชื่อพวกนิ่งไบอกอันนี้นะครับ มา่อแรเดือนึงเดืก็แล้แกแล้วก็ไปปกกันก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมีปัญว่าอรอยู่มานั่นเลยอยู่มานั่นเลยแล้วก็ืวกว่านะเนี่ยเจ๊ไม่รู้ดอดูคำพิพากษาไปอ๋อทางศาสนัใช่ไหมครับ ก็ได้นะก็ถือว่าเปลนกาเปิดเผยได้นะครับาเราสัญญาัอเปนรลกันเี่ยเหมือนกันคือถ้าเข้าใจว่าย่างนีเป็นการเปิดเผยแล้วกาไม่ได้ปกปิด้เกิดเาแบางแขงแล้วสอเตร์กันนะเฮ้ยออกไปสองเป็นคนติ่งไปรู้เรื่องอะไรมันตอทำไมวะมันแบบมันเหมือนเขาจลนะี่เาจะเป็นียคือถ้าเขาไม่ได้เขาเ้าใจว่าเขาไม่ได้ปกปิดแล้ว เนี่ยก็ไม่จีวตแปลงปกติอยู่นี้คน mm hmm. นั้นด้วย mm hmm. ต่อไปนะครับแต่ความจริงเขาบอกให้กระจ่ายทาสัญญาณนี้ไม่เข้าใจหรอกไม่จะลืม อ, mm hmm. อันนี้มือมือชั้นนะครับพอพันต้องไปหาเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ชูชนี้เพื่อนเห็นอย่างนี้แหะ mm hmm. ต่อไปนะครับ mm hmm. อคําว่าสามารถคือพิสูจน์ได้สามารถจะไปยังสํานักของพิสูจน์อื่นเพื่อบอกอาบัตนะครับ ทั้งคืนกรียว่าสามารถไปบอกได้ไมันไม่ได้มีอะไรนะครับหรือสามารถจะบอกได้หากที่สูนั้นะรู้ว่าตรงสามารถนะครับแต่ปกปิดอานบัตรไว้อ่านบัตรถือว่าจะเป็นปะกติดนะโดยไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะถ้าไม่สามารถบอกหนะ้าอาจจะป่วยนะนอนแค่นะไปรุ่งไม่ไหวนะครับหรือว่ามีแผลมีอะไรที่ป่านะเป็นมากพูดไม่ได้ไไดนงนั้นก็ ก็ไม่สามารถใช่ไหมแต่ถ้านี่สามารถอีกสิ่งอย่างหนึ่งเราไม่ยอมไปบอกก็เป็นอ ป, ปกติแต่ถ้าท่านพูดไว้นะถ้าที่สืรูปนั้นมีแผลที่ปากเพียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลิ้ลมเสียคางนะเจ็บเลน่อยนะครับสามารถจะบอกได้แล้วแหละแต่ท่านเข้าว่าบอกไม่ไ้่านเา้าใจว่ท่านไม่สามารถนะครับท่านก็นไม่ไปบอกนี้ก็ไม่เป็นอันติดเหมือนกันแล้วท่านก็เลยมีองว่าเป็นผู้สามารถและก็รู้ด้วยแน่ว่าจะมีผู้ ต่อไปนะครับต่อไปหนนะ อ, ะอาบัตถือว่าเป็นปกปิดคําว่าเป็นผู้ต้องการปกปิดอาบัตหนึ่งปกปิดอาบัตนัต้นมีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียวนะครับอันนี้ชั้นแล้นะใจเห็นที่ใจใช่ไหมต้องการจะปกปิดบอกใครแล้วก็ปกปิดไว้นีครับถ้าแม้พิสูจนนั้นเห็นพิสูจผู้เป็นจะพาฆ่ากันพิสูจผู้ถูกกันนะครัไม่ได้เป็นคู่อรินะ หรือว่าไม่ชอบที่นายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้บอกเพราะเกิดความอ้างว่าพิสูจนนี้เป็นอุปาชาของเราเป็นอาจารย์ของเราอ้างบัตรเชื่อเป็อันปกปิดอุย้ยไม่เห็นมีใครนี่มีแต่อาจารย์อุปาชาเขาไม่ต้องบอกอ้างเพิ่งเรียนไม่ได้อับท่านมานี่น่ะแล้วก็เปิด d o อย่างนี้นะ <S <S โอุย้ยไม่กล้าบอกอาจารย์เลยทยังไม่ยามไปบอกนะครับก็เชื่อเป็นอันปกปิด น, นะครับอย่างนี้ไม่ใช่ข้ออ้านนะนอกจากว่าที่นั่นนะ ไม่มีผ้านี่เป็นสภาค่าอะไรนะครับมีแต่พวกคู่อริหรือ ว, ว่าไม่ชอบที่หน้าเรานี้นะถ้าก็รู้เข้านะ่ะแทนนี้เขาจะช่วยค่อยกลับเอาเราไปประจานนะครับประจานเสียหายบอกยาตบอกโยมบอกคนอื่นนะถ้ามีแต่พระประเภทนี้นะครับถึงเราไม่บอกนะก็ะไม่ช่วยเป็นปิดนะครับเพราะรู้ศาสนาค่ะนะเราทําใจว่าเราก็จะบอกพรานี่เป็นสภาฆ่ากันทุกทางแบนี้ได้คร<อ>ับครับ ถ้าเกิดมันกจริงๆนะมันจะมีคนฆ่านะสองไปนี้ไม่ต้องมีผลกระทบยามหังก็อยู่ในสอรูปนี้นะสอันี้ก็จะไม่ต้องไปอยริเวณเปไม่ต้องไปบอกบริว่ายามงอ๋อมายว่ามันมิสปา์นอีกแล้วใช่มไม่มิสาร์คครับอมันต้องเรื่องจริงะมันเรื่องจริงะไม่ใช่เรื่องแต่งเองยังไงครับ ผมยังไม่เข้าใจนะอยืนดีปหาเรื่องเขาก่อนเพื่อนในจตุสุภาครับมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาบัตินั่นมาเกี่ยวกับเขาไม่ิดเขาไม่ถูกคออายเรื่องอื่นมากกว่าแล้วเขาก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้คนนั้นก็ไม่ถูกเข้าจริงจริงใช่ไหมผมยังไม่เข้าใจคือเราจะทําไม่ทำได้แต่นั่นคือคนนั้นอะ เขาไม่ชอบขี้หน้าเราปฏิสภาาเราจริงๆใช่ไหมมันต้องมาอบบมีเรื่องอะไรกันต่อนแหะมาถึงตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นจริงใช่ไหมถ้าวิสภา้าในจริงก็ก็ไม่เกิดเงินติดนะถึงนไม่ได้บอกคำนั้นนะมนมีองค์นะครับทีสังหรับครับไม่มีองค์าน่นอนมีแว่าถ้าจะพูดว่าคู่เวรนะครับหรือว่าปวิสภาค้ากันไม่ถูกกันมันจะมีเนี่ยบางทีคนเนี่ยเขาเรียกว่าข้าม่เข้าเนี่ย ถ้าเกิดอพยายสายมันไปร่วมกันไม่ได้นะครับถ้ า, ามนันสะสมเ้าไม่รู้นะก็เลยไม่ชอบในลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อทีไม่มีมะครับต่อไป น, นะครับอันนี้ถ้าบอกนะเฉพาะความเป็นที่สุผู้เป็นสภาฆ่กกากันท่านนะั้นเป็นประมาณนะครับถ้าเป็นสภาฆ่าเองก็ต้องบอกนนะ น, นี่คือการวินิจฉัยเนื้อความโดยย่อแห่งบทนี้ว่าชาแนงปริชาเทติะครับ นี้ผมก็จะอา่านนี้เพิ่ม ห, หน่อยนะท <c oughs> ่านบอกว่าเนนหนติดให้มาท่าที่ก่นที่นี้ก่อน เก่งมากเลยหน้า474 474ดูนะดูหน้า474อ้าวนี่นะก็บอกว่าครับก็เมื่อพิสุทธใดอยู่ในวิหารใกล้ภูเขาครุการบัตเป็นของพิสุนั้นจะต้องข้ามซอกเขารู่ดงหรือแม่น้ำไปบอกนะครับใครมีสัมดูร้ายและอมนุษย์เป็นต้นมีในระหว่างทาง งูทั้งหลายย่องนองใ น, นทางแม่น้ําเต็มและเมื่ อ, อันตรายนั้นมีอยู่จริงๆเธอมีความสำคัญว่ามีอันตรายจริงๆว่าอาบักนั้นไม่เป็นอันติด ก, ก่อนะครับไม่เป็นอันปิดนะครับถ้าจะไปเนีย น, รรนทําในป่า น, นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เข้ามาตรงนี้ครับอันนี้ จึงอยู่ความประุกประชาเป็นต้นไม่เป็นประมาในการบอกอ่บอนบทนี้ข้อที่พิสูจน์ไม่ใช่ผู้มีเวแรแลกเป็นสภาข่ากันเท่อานั้นเป็นประมาทอันนี้นะว่ามีเวรกันไมใช่ม่ธรรดานะเจ็ดที่น ห, หน้าเห็นน้าอ่านอ่านแล้วถูงจ่าอะไรกังขย่างนะครับนี่ก็ผู้เวรอนะไนั่นแหละแล้วก็นะครับเป็นเ ท, ท่างไรอะนั่น ควรบอกในสำนักพิสูจซึ่งไม่ใช่ผู้มีเวนะครและเป็นสภาฆ่ากันฝ่ายีิสูจใดเป็นนิสภาคากันเป็นผู้มุ่งจะฟังแล้วประจานรไม่ควรบอกในสำนักพิสูจเห็นป่านนั้นแม้เป็นประชานะแต่ว่าเกียรติหน้าเรานี้เนะี่ยก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเขาบอกรกูื่อเขาไม่ถูกทางบันเองแต่วขาบอกอื่นได้ไหมได้อกอื่นก็ได้ าสาต้องยัดยางวันนั้นม่ถูกบน้งวันเ่าก็อมไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่อทีู่ที่ไม่รู้จักกันค็น่้เราทสร็จแลวนะไงไม่รู้เรื่องนะพี่ผมว่าบอกคร็เท่นาดเขบอกค่ะก็น่ามจท่านจะมีคำบอกน่นะคาบอกแจ้งว่าอย่างไง ข้าพเจ้าแจ้งอาบัตตัวหนี้งสานักของท่านข้าพเจ้าบอกอาบัตตัวหนึ่งสํานักของท่านข้าพเจ้าต่างอาบัตตัวหนึ่งนะครับท่านทรงสร้างเขาที่ข้าพเจ้าต้องอาบัตตัวหนึ่งข้าพเจ้าแจ้งทะลุการบัตตุงดังนี้ก็ได้นะครับอาบัตไม่เป็นอันปิดด้วยอาการไหมั้งปวงแต่ถ้าวิสูกขาโดยในเป็นต้นว่าข้าพเจ้าแจ้งรักหุ่นการบัตตาบัตหนักบอกว่าตาบัตเบาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันปิดไว้แพ้เพราะมันไม่ได้บอกปิดทิ้ง ไอ้ที่ชื่อสองนี้นะอันนั้นเราสงข้อนะมันไม่มีคําบอกในตรงหรอกแต่เขาคุยกันไม่แล้วและใจเขาเนี่ยเขาคิดว่าธํานี้ถือเปิดเผยแล้วใช่ไหมครับผู้นีก็รู้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นติดกันอันนีเวลเราปองอ่านบัตรนะก่อนที่ําแรกเราว่าไงนะหางพันเตสัพพาปฏิโยอมิกระโรมิแค่ท่านเจริญกับผมขอเปิดเผยอานบัตทั้งพวงใช่ไหมครับ นั่นนะคำนั่นเป็นการเปิดเผอัั้มพาริลาไปนะอัลบั้าริเสตไปนะครับคำันทิคร์โี่ใช่ครับคำปันเทสัามาจริครโรมีถึงผู้ฟังแปลไม่ได้ก็ได้แต่แปลไม่ได้พนุเงินก็ได้แต่แต่คำนี้นะคือเป็นการปิดเผยอัลบั้าิเสตในตัวแล้วนะครับต่อไปานนี่นให้จดตรงนี้นะคาว่าตาวัตตีหงแปลว่าตลอดวานเท่านั้น ขยายความว่าตั้งแต่วันปกปิดอาบัตจนถึงวันบอกอาบัตเวลาล่วงไปประมาณเท่าใดด้วยอำนาจแห่งวันปักเดือนและปีต้องอยู่ปริวาตลอดเวล า, าประมาณเท่านั้นข้อว่าอาการมาติวคําพังแปลว่าแม้จะไม่ต้องการอยู่ปริวาประพฤติว่าปริวาต้องประพฤติคือจาต้องอยู่ปริวาที่แท้พิสูจนั้นไม่ต้องการอยู่ปริวา ก็ต้องสมาทานปริบุตรว่ารปฏิว่าเพราะมั้นตัวเองก็ปมนผลจะอกาก็มีอากรปฏิตตัวไปเรนะื่อยๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็ได้แล้วต่อไปะครับต่อไปประเภทปริว่าในคำว่าปริว่านั้นปริวามีสามประเภทคือปฏิบัติชนะปริว่า สุดทันตปริว่าและสมมุทฐานะปริว่าปฏิชานัปริว่าสคือปริว่าที่ทาให้นะครับให้แก่พิสุผู้ปกครองปิอาร์บัตปริวาสแค่ไหนที่ผู้พิสผู้ปกครองิอาร์บัตนะรับสุดทันต์ปริว่าสนะปริว่าที่กําหนดนะครับต่อความบริสุทธิ์เป็นที่สุดเดี๋ยวจะมีคำอธิบายนะจเป็นอะไรแล้วฟังจะดูกันนะก็คือท่านนั้นเรื่องราตรีไม่ได้ว่าปิดไดกี่วันใช่ไหม นะารับไม่ได้เลยหรือว่าจําได้บางสวง่วนแล้วจ ไ, ได้ทั้งหมดนะแล้วเขาขา ย, <อ>ยกี่วันกันแน่คนระับกนะ็ให้จุดทันต์นะถ้าท่าอยู่ไปไเรื่อยจนกว่าท่านจะรู้สึกว่าเจอบริสุทธิ์นะครับที่ท่นจะแบ่งนะมีคำที่ว่าแบ่งเป็นถืว่าจุทันต์ก็ได้ปัญหาจุดทันต์ก็ได้ครับและสมุทานะตปริวาปริวาที่มีการประมวลนะครับประมวลอาบัตมารวมกันนะแล้วก็ปแบบเพืทีเดียว ประมวลไอ้วันที่ปิดแม่นานไอ้วันก็รวมทีเดียวครับมันจะมีนะเาต้าบัดต่างหลายตัวครัไม่ต้องแยวคืชปริว่าทีละตัวก็ได้อถ้าันบากแย่นะเราก็ใช้สมุทรปริว่าครับก็ประมวลรวมทีเดียวเลยนะแล้วก็อยู่เท่ากับวันที่ปิดแม่นานที่สิดทีในจะมีคำอธิบานะครับในปริว่าที่สามนั้นปฏิฉันนะนปริว่า สงพึงให้เพื่ออาบัดอารที่ปกปิดไว้จริงอยู่ภิ่สุตบางรูปปกปิดอาบัิไว้วันเดียวบางรูปปิดไว้สองวันสามวันเป็นต้นบางรูปต้องอาบัดตัวเดียวบางรูปสองตัวสามตัวหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสงเมื่อจะให้ปฏิชนะตะรีว่าหรือว่าทิ่สูตปกปิดอาบัิไว้โดยในนังก่าวแลวตั้งแต่ทีแรก ลำดับนั้นกำหนดวันปกปิดอาบัตและจำนวอาบัตรที่ปกปิดไว้ถ้าปกปิดอาบัตรตัวเดียวหนึ่งวันนะอันนี้ใช่นี่ก่อนนะวนณีปฏิชนะปริวาสนะปริวาสที่สองผู้ให้แจกพิสูจน์ผู้ปกปิดอาบัตรไว้ที่นีครับ อ, อันนี้นะจะต้องปกปิดไว้กี่วันก็แล้วแต่ครับขอปฏิชนะปริวาสนี้ก็ได้ครับนะอาบัตรตัวเดียวหรือว่าหลายตัวก็ได้นะวัตถุเดียวกันหรือว่าต่างวัตถุก็ได้ นะเนี่ยนะได้แต่ว่าวันปกปิดต้องเท่ากันนะถ้าวันปกปิดหรือว่าต้องลสิบตัวแต่ละตัาววันปกปิดไม่เท่ากันเนี่ยจะมาล้วนรูปปติตชนะทีนี้ไะครับเพราะมันต้มีการประมวลวันอันนี้หมายถึงว่าวันปกปิดเท่ากันจ ะ, หะไหนรู้ก็แล้วแต่ว่าถูเดียกันหรือว่าหลายวันผิดก็แลแ่ครับอันนี้ก็ปติตชาา น, นะผีวาดได้เวลาสองจะสวดให้นะครับ ถ้าอาจารย์กำลังอ า, าจารย์ก็ต้องดูว่าใช่ไหมว่าคนนั้นปกปิดอาบัตได้กี่ตัวถ้าปกปิดอาบัติตัวเดียวหนึ่งวันควรให้ขอปริวาสอย่างนี้ว่าอะหังพันเตเอกากอาปติงอาปะชินสันเจตานิกลางสุ ก, กาวิสันทิงเอกาขัปปิดชันหนึ่งครับแปลว่าขณะทัานมุจเรญอันนี้คือคําขอที่อาจาจะขอนะถ้าที่ต้องนี้ต้องขอก่อนครับ ข้าเจ้บเจริญข้าพเจ้าต้องอาบัดตัวหนึ่งชื่อว่าสันเจตนิการจุฬาวิสันติที่ปกปิดไว้หนึ่งวันแลวจึงให้ปริวาดโดยสวด ก, กรรมวาจาตามในอันมาแล้วในขันตกาก็สวนอะไรนะอ่ออาตัวอย่างทุงสวด ก, กรรมวาจาให้ยืดเนี่ย ต้องมีในขอบปริว่างนะครับคืออันนี้แค่เนตัวอย่างที่หลายหลายตัวนะหรือวันเดียวนะครับหังพันเตสัมภูลาสังคาทิเสสะอปติโยอปติมเอกาหัปปติฉันนาโยโสหังพันเตสังคังตาสังสัมภูลานาอปฏินังเอกาหัปปติชันนายังเอกะหัปปริวัสังยาจามิแต่ใครยังถูกฟังว่าพร้อมกันนะ คำขอไม่ได้ได้ความรู้สึกว่าพ่อนะพอ่อเหมือนกัแต่ไม่ต้องอันดีที่สุดแล้วนะครับถ้าต้องแ ล, ล้วก็รีดทำคืนได้เสร็จนะเพราะว่ามันต้องกันได้นครับพระพุทธองค์ก็เลยมีวิธีออกจารกรบันนี้เนี่ยเพราะรู้ว่ามันต้องมีที่สุดธิต้องใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนต้องแหละพรงก็เลยมีวิธีให้ออกจารกระบบ น, นี้ได้ น้งลองนะครครับนี่นะนีครับต่อไปครับวั น, น, น, นวีนกัอนอาวันหน่อยํำที่ใช้เวลาที่ปิดอาบัตเอ่ถ้าปกปิดไว้สองสามวันเป็นต้นควรประกอบวันจนถึงวันที่สีอย่างนี้ว่า ไอตรงเขาว่าปฏิเจ ก, กิญขับปฏิฉันนั้นนะถ้ามันหลายวันเราก็เปลี่ยนคนระับสองวันนะถ้าวีหัดปฏิฉันนานสาวันก็ตีหัดปฏิฉันนะ่อนะครับสี่วันก็จะตูหัดนะคไล่ไปเลยปัญจาหัดชาหับนะสำหรัอาบัติที่ปกติไว้สิบห้าวันนะครับพอถึงสิบห้าวันเนี่ยเราไม่ต้องตำหนะรักษาขับนะครับ เี่คนไ่ได้พาเพือนมาข้าคูนไอ้ตีอาบเอาเป็นตีอาเียใชม่ใช่ไมมันจะสมบูรณ์ดีไม่สมบูรณ์ใช่ไหมละตีอาบตีบ่ความหมายเปียนไอะไรครับตีอบตีบเ่กับเี่พอเนาะเ่ไอ้สตูพูดถึงรกายแล้ว ให้คุ อ, ออกเนื้อช้าๆนะจ๊ะครับตีอับตีอับการอับกันเลยนะแต่เราพูดถ่ายเาพูด <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องพายามนล้หเแล้วเปิดเทปได้ไหมไม่ได้เอ่สำหรับอาบัตที่ปกปิดไว้สิบห้าวันนะครับต้องแต่งคำอย่างนี้ว่าปักขับปฏิชันนะปักขับ15ห้าวันนั่นหนึ่งปักเกินกว่าสิบห้าวันแต่ไม่ถึงหนเดือน แต่งกรรมวาจะว่าอติเลกักปักขับปฏิฉันนานเกินสิบห้าวันนะครับเพราะว่าถ้าเขาเมื่อไรที่ถ้าเขาออกไม่ได้นะมันไม่ใช่เฉพาะคมคอยอย่างเี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คําบอกว่านะเขาต้องบอกใช่ไหมครับเต้องบอกคํานั้นแหละถ้าเขาบอกไม่ถูกนความหมายเพี่เอามเลยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไั้แต่ว่าไอ้คาบอกว่าเนี่ะคุณบอกว่าภาษาไทยก็ได้ าว่าบาลินมันเอาว่าภาษาไทยมาเลยเร <c oughs> าเอาภาษาไทยมาเลยนะครับอ๋อใช้วิธีงั้นอาครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นการสรวดครามวรางตานะงั้นตะ้องใช้ภาษามาลีอย่างเดียวเป็นไทยไม่ได้แต่ตรงคำบอกว่ า, วาบานภาษาไทยได้อยูนะครับถ้าไม่ใช่สวดกรมวรางตานะตอนขอเนี่ยผมเข้าใจว่ามันะด้านหกันนะเพราะว่าเมื่อไ้เป็นการสรวดครรมวรางตานะทำไ ในกองมีพระอ๋อไม่ได้จริงนะอันนี้นะเกินสิบห้าวันอติเลกถ้าเกินกว่านั้นไปพึงแต่งก็มาวางจานตามลำดับอย่างนี้ว่าหนึ่งเดือนครับมาสับปฏิชันนันเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่ถึงสองเดือนอติเลกมาสับปฏิชันนันสองเดือนทวเวมาสับปฏิชันนัน อติเลกขเทวมาสัพปิติฉันนำเกินสองเดือนคนระับสามเดือนเตมาสัพปิติชันนำไปอติเลกะเอกาทศาามาสัพปิติฉันนำเกิสิบเอดเดือนนะครับเมื่อป่องปิดไว้ครบหนึ่งอีนะครับควรแต่งยกรรมวาจาว่าเอกสังวชัชระปิตชันนะโอ้เราบานนะอยู่ปริวาเมลยท่านเนเี่ย เกินกว่าน right ั ing. Ing ้นข huh? ึ you know ้นไปนะเกินหนึ่งปีนะแต่กรรมวารจาว่าอติเลกะสังวัชรังสองปีก็เทเวสังวัชรังจนถึงว่าหกสิบปีนะหกสิบปีเลยนะสันทีวสันทีสังวัชระปฏิชันนังเกินหกสิบปีนะคะอติเลกะสัทธีสังวัชระปฏิชันนังหรือถ้าเกินกว่านั้นขึ้นไปอีกต้องประกอบกรรมวารจาให้ถูกต้อง ตามจานวนเวลาที่ปกติอวัยวะจะทำงานถ้าต่ถ้าสราตก็ไม่กี่วันบวต่อาลดไม่หายไม่หาหรอกบวมใหม่แต้วก็มาทาพืนให้แตกถ้าตื่แล้วมันจะหายไมไม่หายก็ถ้าขึ้น่องตัด้ครื่องตัที่อื่นนะหายเหมือนภาพก็มีปลาชีสเนี่ยแล้วก็การทำพื้น ตอนเป็นโยไม่มีหรอกนะแต่พอกรรมยุคขั้นก็จะมาอีกครับหน้า่างสิบสี่ตอนนี้หยุดเกี่ยวกับพระฤาษีนะสงสัยเม่ถามหน้นะเพราะว่าคนจริงตัวนี้ยังมีรายละเอียดหมายอย่างนครับ ยังไงคไงไตับอ๋อสองตัวสามตัวใช่ไหมมันมีลักษณะ น, นี้เลครับเ้าเรียกว่ามันมีหลายตัวหลายวัตถุครับหมายใช้ว่าหลายตัวก็คือถ้าจะวัตถุเดยกันก็นานนะเราต้องหลายครั้งครับเป็นการดีเซลดีไหมนะครับถ้าว่าข้อแรกไปทำห้าครั้งใช่ไหมเนี่ยก็ต้องห้าตัวครับน้าตัวนี้ตัวข้อดีกันเขาจะเรียกว่า ห้าตัววัตถุเดียวกันครับแต่บางคนข้าวจากห้าตัวจริงแต่คนเราวัตถุก็ได้ข้อหนึ่งก็ตัวข้อสองก็ตัวข้อสามก็สี่ข้อหาไล่ไห้าข้อเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าห้าตัวแต่ว่าต่างวัตถุกันนะครับสิ่งที่เขาทําคนละอย่างใช่ไหมนะครับนีน่เป็นอีกครับหนึต่ตัวต่อไปครับมันมีภาพรูปเหมอือนเมื่อก่อนอาจารย้ารายฟังหัน ท่านจะต้องตรงผนทาริเสนี้บ่อยนะครับต้องบ่อยนะอาจจะเกี่ยวเป็นคารวาอะไรนี่เราเคยชินนะอันนี้มันก็ลําบากสงศึกสงก็ต้องสวดต้องอะไรใหบ่อยนะครับอาจารย์ก็เลยบอกนี้ไปเลยให้คุณไปทำให้แบบพอเลยนะแล้วก็มารวมขอทีเดียวอันนี้นครับแต่างนี้จริไม่ไดีนะถ้านก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละนะครับน่าเบื่อเนี่ยนะนะครับ ถ้าเป็นต้องหบอดขนาดนั้นนะต้องมีการประจานครับในบัต<า>ในอาบัตปลายีตีนะสามารถจะบอกอาบัตชั่วอยากของพระนะครับให้แกโยมด้หรือสงฆ์จะมาประชุมกันนะแล้วก็มาสมมุตินะครับพิสูรรูปหนึ่งให้บอกอาบัตชั่วอยากของพิสูรเนี่ยแก่โยมได้เทวว่าคนนี้เขาไม่สมนุนลวัมนะเหมือนก็สทัทธา อ, อ่อนเลยก็ได้เอาเนละหรือก็ต้องละ เด๋ยวสักหกครั้งนี่น่ะโอ้ไม่ไหวนั่นอย่างนั้นนะครับต้องมีการประจานะล้วนะครับสมติเปลนสมมุติประโยคนี่เลยว่าให้บอกอาบัตของแกได้กี่ตัวกําหนดก็ได้นะครับบอกไปเลยแล้วก็บวกบอกใครได้บ้างอาจจะบอกอ้าวไม่ต้องบอกทั้งหมดหรอกบอกสํานั่งก็พอโยงสํานั่งมาแล้วก็บอกหอกเลยโยถ้ามันไปทํามากเกินนั่นแบบ นั่นครับแบบไม่ไม่ต้องกาหนดสะกูลเลยก็ได้ใครมาถวายสักการะก็เน่ะบอกกัเลยนะครับถ้าของความสมัยนี้นะลูกนั้นผงจะย้ายว่าหนีนั่นนะฮะนี่แต่ถ้าอาการหนักขนาดนั้นก็ต้องอยนั้นแหละนะครับก็ต้องมีการสมมุติเจ้าหน้าที่ที่มาบอกอาวุธช่วยอย่างนะทำหนังจริงก็ต้องช่วยว่าข่าวต่างเตืออะไรออย่างนะครับให้เขาเบาๆหน่อยบาหนะ เกิดตายขนาดนั้นเนย่าไปไหนนะครับกำลังทำอย่างเนี้นนั้นแล้วก็ตายคาไปเลยเนี่ยโอ้นะครับอบอายนะแล้วก็น่าอายนะเน่ยออกหาคืออขออะไรนะครับไม่ต้องพูดเยเกิหัวใจวายตาย่างเี้นะตอนนั้นเน่ะโอ้ยเสียเยอะแยะเลยนะครับรู้สึกเหมือน็จับผ้าใหม่หน้าจาน นี่คขาไม่ระบุแน่นอนครับอาจารอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยภาพรูปหนึ่งที่เป็นลักษณะนี้ครับต้องหมอนม่แล้วก็อีกรูปหนึ่งเขาบอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยท่านจะเคยเจอรูปทีครับ เ, เวลาเกิดกําหลังขึ้นมาก็จะไปพยายามช่วตัวเองถึงขนาดว่าเขาตนองมัมือท่านเอาไว้กับี่ียนครับนะครับเคยกลางคืนมามันจะได้ไม่ผลอไปทํานะจิครับเพราะมันเคยเป็นเหตุเพศละวาดมากนะอี่อยจนมันแบบล้าไม่ได้ครับ ต้องหาวิธีช่วยครัมั่นมือนได้ไหมเลยนะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ข้าราชสั่งกันนะ <c oughs> ต่อนะครับก <c oughs> าลต่อนะ <c oughs> ก็ถ้าที่สูนั้นบอกว่าต้องอาบัตสองตัวสามตัวหรือมากกว่านั้นควรกล่าวว่าเทเวคีอสองครเทเวอาปติโยติโซอาปติโย แต่ถ้ามากกว่านั้นไปจะเป็นร้อยตัวก็ตามพันตัวก็ตามจะกล่าวว่าสัมภูรลาอาปติโยดังนี้ก็ได้ก็อาบัตแเมมากมายอาปฏิอานบัตทั้งหลายสัมภูรลามากมายบอกคุมเลยทีเดียวนะตอนนี้ในอัจฉริยะาาท่านก็พูดถึงว่าถ้าวิสุที่ต้องอานบัตตัวเดียวแต่จะพูดว่าหลายตัวสัมภูรลาอานปติโยครับอันนี้ก็หลุดนะหลุดนะ แต่ว่าถ้าตัวเองต้องหาตัวแต่ไปบอกว่าตัวเดียวอันนี้มันจะไม่ถูกนะเพราะการที่เขาทําเผื่อว่านะคือไม่ได้ไม่ไตั้งใจโกหกนะเพียแต่ว่าจะตามคำส่วนของสมภพุรานก็บสมภพุรานนะครับไม่ได้โกหกหรอกก็สู่ไปตามคำส่วนที่มีแหละนี้ก็ไม่ถือว่าโกหกนะครับอาบันี้ก็ถือว่าเป็นออกนะอ่อนแน่นอนเพราะว่าท่านพูดถึงมากกว่ามันก็คุมที่น้อยกว่าเริงๆนะครับแต่ถ้ามีท่านท่านมีมาก แต่ถ่าไแม่บอกว่าน้อยอย่างนี้มันจะไม่ออกสามวันอ๋อุืทกาต่างการต่างใช่ไหครับตอนนั้นต้องดูทีนะจ๊ะถ้าวัตถุเดียวกันถ้าไม่ไม่มีปัญหาครับถ้าต่างวัตถุกัน แต่เวลาส่วนเขาจะมีนานาวัตถุการโยนเยใชขึ้นครับนพันเลือ้ะอ๋อแต่ว่าพระาสัมผัลาคุมหมดครับตรงนั้นนะตรงนั้นเคยสงสัยถามอาจารย์ทีเนกันวาาไม่ใช้ในงานสมนาเนี่ยเาบอกถ้าลางีครบนะก็ถือว่าเป็นอ่อกเหมือนกันครับถ้าอยู่ข้อลางดีที่ตัวเองปกปิดไว้นะก็เป็นออเหมือนกันแต่ไม่แน่นำไม่ทันทาอย่างนั้นนะครับเพรามไม่ตางแบบท่นได้ ไม่ตามแบบแต่ถ้าใครไม่รู้ไปทำเขะแล้วนะไปไปอยู่จุดทางต่างอย่างรแรกนะครับทั้คนละอย่างกันถ้าแบบพื้นนาตีค่อมนะั่ก็ถูวเป็นออกอนกั น, นอันนี้เอ่อดังนี้ก็ได้แม้ในอาบัต ท, ที่มีวัตถุต่างกันจะประกอบกับมาวาจาด้วยการนับจํำนวนอย่างนี้ว่าวัตถุกลางการต่างกันเมื่อกี้บอกแล้วคุละข้อนะคุละข้อกันนะ อหังพันเตสัมภูราสังคาทิเสสารปฏิโยข้าพุทธเจริญข้าพเจ้าต่ อ, อบัปปะคาทิเสมากมายหลายตัวครับอัอปะชินนะเอกังสุกาวิสถิคือนะครัอบอัตปชื่อว่าสุกาวิสถิตัวหนึง่งเอกังไกสังสัทธันเอกังถุนวาจังเอกังตตะการมเอกังสันจริตัง เอากาหับปฏิชนันนายก็บอกไปนะมีกี่ตัวนะครับก็ไล่กัลเลยคือสุกัดวิเศษติตัวหนึ่งไตร ย, ยังกัดฆ่าตัวหนึ่งถึงอทุตุนาวาจาตัวนึงอตตางการมากตัวหนึ่งชนจะทิจัก ต, ตัวหนึ่งก็ว่าไปนะครับที่ปกไปิไว้หนึ่งวันอันนี้เ้าเรียกว่าประกอบกรรมวาจาโดยการนับจํานว น, นะครับว่าเขาทุกตัวเลยที่เตืนเป้องนะลไล่กัเลยอย่างนี้คำกรรมวาจาเขาจะยาวหน่อย ด้วยอำนาจการบอกวัตถุอย่างนี้ว่าอาหังพันเตสัมภูราสังคดิเศสารปติโยอาปชิงนานาวัตถุการโยเอกามผลปฏิชันนานอยู่แสดงว่านานาวัตถุการโยปรเลยคุมเขาก็แปลว่าให้เจะริญข้าพเจ้าต้องอามบัสคดิเสษมากมาหลายตัวที่มีวัตถุต่างๆกันครับไม่ต้องมาห่ายตัวนะใช้คำนี้แทนครับคุมหมดเลยปกปิดไว้หนึ่งวั หรือจะบอกเพียงชื่ออย่างนี้ว่าเอามาเมื่อกี้บอกด้วยวัตถุนะครับบอกเพียงชื่ออย่างนี้ว่าอาหารพันเตสัมภูราสังคาดิเสษสะอาดปฏิโยอาปัญชินเอคาหับปฏิชนะโยตรงคําว่าสังคาดิเสสะอัดปฏิโยนะครับเป็นการบอกชื่อนะว่าเขาดูจะเลยข้าพเจ้าตหองอรสังคาดิเศษนะครับมากมายหลายตัวนี่ก็คุมแล้วนะบอกว่ามากมายหลายตัวในี่ยคุมทุกตัวนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับที่ปกปิดไว้หนึ่งวันคือพวกนี้นะถ้าวันปกปิดเท่ากันเนี่ยก็สามารถขอแบบปฏิชนนาได้นะครับบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าชื่อะะมีสองประเภทคือสัญชาติสาธารณนาแปลว่าชื่อที่ทั่วไปแกอาบัตประเภทเดียวกันนะะชื่อททั่วไปแกอาบัตชนิดเดียวกันก็ได้นะ คือคําว่าสังขา ร, ริเศษาใช่ไหมครับเป็นชื่อทั่ทวไปแกอามบัตสังขา ร, ริเศษทุกขอ้อเลยนะครับอาจารย์นะนเขาแปลว่าชื่อที่เกี่ยวกับชาติตัวเองและสัพพะภาษาทันานานาชื่อที่ทั่วไปแกอามบัตทั้งปวงทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทุกข้อเลยชื่อทั่วไปแกอามบัตทั้งมวลในสองประเภทนั้นคําว่าสังขา ร, ริเศโสจัดเป็นสัชติสาทันนาน า, นา ชื่อทั่วไปแก่อาบัตชนิดเดียวกั น, นครับคําว่าอาปติอาบะะัตนเนี่ยจะเป็นสัพพาสาะระนาณามชื่อทั่วไปแก่อาบัตทุกทุกกองนะครับเพราะฉะนั้นที่จุจิกาเป็นสัพพาสาะระนามอย่างนี้ว่าสมผูร า, ารอาปฏิโยอาฝันชินเอกขับปฏิชันนาโยดังนี้ก็ควรครับไม่แม้แต่ว่าสังฆาทิเศษสาเข้ามานะมีแตอาปฏิโยนะครับ อข้อาพเจ้าทนนัน้ต้องอาบัตินะครับมากมายหลายตัวที่ปกปิดไว้หนึ่งวันคุ้มเหมือนกันครับนันถือว่าใช้ได้นนครับวินัยกรรมคือปริวาสเป็นต้นนี้จะําเนื่องด้วยวัตถุวัตถุก็คือเมื่อกี้นั่นนะว่านามวัตถุ ก, การโยนะครับข้อนะครับอชื่ออาบัติใช้ได้ทั้งนั้นในคำว่าวัตถุเป็นต้นนั้นคำว่าสุกาวิสติครับ คำนี้นะสุกาวิสันตฉีนะครับปล่อยอสุกีน่ะาการเป็นวัตถุ ด, ด้วยเป็นข้อด้วยคำนี้ชื่อว่าเป็นวัตถุกนียครับวระบุวัตถุนะแล้วก็เป็นข้อด้วยครัข้อคือะอะไรมันก็ว่าอาการอนนอาการนะครับท่านท่านวิเคราะห์ม่ให้นะที่ชื่อว่าข้อตังข้ออะไ <c> ร <oughs> เพราะว่ารักษาไว้ขึ้นคัน <c oughs> ไอ้ข้างหนูก็รือแปลว่าเขาไปลักษณะว่าสภาว่าหรืออาการอะไรเงี้ยนะครับรักษาไว้ซึ่งไอ้โคดมันสภามาอาการเดิมอะไรง้นะไอ้งสนตั้งชน่ะอรว่าารการนู้ครับเขาไม่ใช่คนอันกันนะอันนี้มันสภาว่าหรืออาการคำคำเนี้ยนะเพว่าสส่นที่ิงห เป็นวัตถุด้วยเป็นโคตรด้วยคำว่าขังชาดิเศสโสอันนี้เป็นชื่อจากเป็นชื่อด้วยเป็นอาบัตด้วยก็เป็นชื่ออาบัตและก็เป็นสัวอาบัตรด้วย <c oughs> ในคำเหล่านั้นด้วยการกล่าวว่าสุกามิสถทิงการ ส, สัรงสรรคงเป็นต้นดังนี้ก็ดีด้วยการกล่าวว่านานาวัตถุ ก, การโยดังนี้ก็ดีย่อมเป็นอันระบุถึงวัตถุและโคต เพื่เป็นการระบุวัตถุด้วยนะแล้วก็โคด้วยนะนานวัตถุการโยนคุมหมดเลยนะอุมหมเลยนะครับด้วยการกล่าวว่าสังขาริเสโสดังนี้ก็ดีด้วยการกล่าวว่าอาปฏิโยดังนี้ก็ดีย่อมเป็นอันระบุถึงชื่อและอาบัตเพราะฉะนั้นในคําเหล่านั้นสงจะแต่งกรรมวาจาด้วยคําใดคําหนึ่งใช้ได้เท่านะด้นเนี่ยก็แต่งมาตาที่มัน แต่ของท่านมันมีแบบให้นะต่อไปวิธีการอยู่กับพืชวัดเนี่ยนะซึ่งว่ามีผ่ารุ่นหนึ่งครับต้องแบบนทึกเสกข้อไใดข้อหนึ่งขึ้นแล้ววิธียว่าจะทําำไงครับขั้นตอนแรกเลยก็ไปบอกที่มาผู้บาดเจ็ที่เป็นพระกรรมวาจารัรบก็ไป็ บ, บ, บอกอาการบอกให้หมดนะว่าโดยทำอะไรงไงต้องข้อไหนถ้ายังสงสัยก็เคี่ยวให้ให้เข้าใจเลยครับ บางทีอาจจะไม่ต้องแล้วเข้าใจว่าต้องก็ได้นะเพราะเราไปปรึกษาบอกท่านแล้นก็จะแนะนำเราบเราก็จะรู้ว่าต้องจริงไม่ต้องจริงนะหรือว่าถ้าสงสายถ้าต้องแล้วก็นะครับต้องแล้วก็ของแล้วก็บอกท่านนะครับแล้วก็นิมนต์วิสุทธิ์นะอีกสามลูปรวมอาจารย์สูทแล้วก็เป็นสี่นะแล้วก็พายเราไปที่บสถได้เลยนะครับอันหนึ่งในเวลาจบกรรมวาจาใช่ไหม ใ้าจารสูสวดให้ใหในะพาเข้าไปสีรูปทีโบโทนะสวจานสวดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทำไงถ้าวัดมีีิสุขน้อยนะครับสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ขาดลาตรีได้ควรสมาทานวัดสามครั้งว่าปริวังสังสมาธิยามิวัดตังสมาธิยามิในวัดนั้นนั่นไหลนะครับอันนี้นะครับตอนแรกที่เร า, เาพา พาคุบาอาจารย์ไปนั่นใช่ไหมครับแล้วก็มีคําขอนะก่อนที่อาจารย์จะสวดให้ให้ขอคําขอปริวาเนีครับก็ขอสามพันและอาจารย์ก็จะสวดให้เราครสวดถึงปฏิยามปีนะเรียบร้อยนะพอสวดแล้วแล้วก็สมาทานบอกว่าตอนนั้นเลยนะครับสมาทานบอกว่านี่ไงด้วยคว่าปริวาสังสมาธิามิวัดตังสมาธิามิในวัดนั้นนั่นแหละ ครัสมาทานแล้วควรบอกแก่สงในหลวงโบสถนั้นนั่นแหละเพราะสมาทานเราก็บอกว่าเลยรับบอกว่าแก่พระสงฆ์ที่อยู่ในโบเลยนะะเดียวเลยเมื่อบอกว่าแก่พิสุทเมื่อบอกว่าแก่พระที่อยู่ในโบแล้วใช่ไหมครับเราก็ไล่บอกว่าแก่พิสุทที่อยู่ในวัดทุกลูกนะี้เพราะว่าเราจะไปะนในวัดใช่ไหมครับในกรณีนี้ท่านยกมานะเพราะพ้าน้อยอาจจะมีพ ร, ปประห้าลูกคนนี้นะ ต้องปรีต้องพันดเสษตัวหนึ่งใช่ไหมก็มีไ้าอิทรีย์รูปพอดีครับก็ขอนะเอ้าสวดใ ห, ให้แล้วก็สมาทานบอกวาดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> บอกว่าเมื่อบอกวัดแจกพิสุทธุกรูปนะนะอ่าทุกรูปที่เข้ามาในวัดพึงงบุพปรีว่าอย่าให้เสียวัดและหลักตรีนะฮนะทีนี้เวลาทุก ป, ปริว่าจริงวก็บุพ้นในวัดใช่ไครับ มีท่าคันตุกะมาะรูปไหนเข้ามาถึงในเขตวั น, นะครับเราต้องบอกเลยครับเป็นพรต้องบอกเลยถ้าเราไม่บอกใช่ไหมก็จะนํานาศีไม่ได้แต่ถ้าไม่อาจอยู่ปริวาให้บริสุทธิ์ได้ต้องการอยู่แบบเก็บวัดนะ ค, ควรเก็บวัดปริวาในถ้ำกลางสงหรือในสำนักของพิสูรรูปหนึ่งว่าปริวาสังนิธิปามิวัดสังนิธิปามิ ความจริงสมมว่าวัดนั้นมีท่าเยอะช่ไหมครับชนวัดเราเนี่ยท่าสี่จุดกว่าใช่ไหมครับหรือมีท่าเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่นะเราขึ้นว่าปริวัตในวั่ไม่สะดวกครับหรือว่าเราเป็นว่าที่มีพาะเข้าออกบ่อยมากนะเีายคนดูการรูนั้นรูนี้มามาตอนไหนผางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับถ้าประพื่งในวัดเลยเนี่ยเราจะเสียนาจีไปได้นะเราก็จะใช้วิธีประพื้นนอกลัดนะครับประพืชนอกวัดประพืชนอกวัดทําำยังไง ก็นก็ทำเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเราไปขอปริวาสก่อนอาจารย์สวดให้เราพออาจารย์สวดให้เราแเรวก็สมาทานเเดิม น, นะครับทีนี้เพื่อนนอกว่าก็แลกแจนะให้เราสมาทานแล้วก็บอกวัด ก, ก่อนนะครับแล้วก็เก็บวัดตอนนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมสมาทานบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อันนี้เป็นธรรมเนียมครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าตั้งแต่จอไปเพื่อนนอกวันนะพอสวดข้ามาวาดอาจาให้เราเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสมาทานแล้วก็บอกวัดตอน ทีนี้ถ้าเราสมาทานลืมบอก <c oughs> ว่าครั บ, บใช่สิเดินออกไปจากโบสถแล้วใช่ไหมแล้วนี่นะเราลืมบอกว่านคะครับแล้วก็ตาไปบอกวัต น, นะได้วิสุทธิ์ที่เป็นอาจารย์สื่อให้เรามมนาจีนะหรือว่าคณะคุรตะนะครับทีนี้ถ้ามีส่วนินั่งยากๆกัไปหมดแล้วนะครัลลอบอเราลืมบอกนะไปกันตังสิคนที่ตรงทางแล้วครับ <c oughs> ทำาังไ <c oughs> เราก็ไปหาภาพรูปหนึ่งนะครับรูปไหนก็ได้นะ เราก็บอกว่ากระทะเนี่ยที่นังไปเลยบอกวัดแล้วก็แล้วก็เก็บเลยนะครับเอาไื่ไม่ทช่ผู้ผิดนะบอกวัดก็บอกตอนนั้นแหลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปนะอันที่ลืมหมาถึงลืมเก็บวัานะครับลืมเก็บวัดนะลืมเก็บวันบอกว่าแล้วลืมเก็บนะครับก็เก็บในบสถ์ก็ได้หรือว่าพอก็สสงฆ์ไปแล้วก็ตามไปเก็บทีหลังก็ได้นะครับ หรือไม่ทําให้เก็บนะตามไปเก็บกับพิสูนรลูกอื่นที่ไม่ได้เ่อามาในบทตอนนั้นก็ได้ครับ <S <S แต่ว่าพิสูตรลูกอื่นที่เขาไม่ได้เ่อามาในบทตอนนั้นนะเราไม่ได้บอกว่าเข้าใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าให้เขาก่อนบอกว่าเข้าก่อนแล้วค่อยเก็บวัน ค, ครับครับปริวาชื่อว่าเป็นอันเก็บแล้วด้วยบทเดียวเป็นอันเก็บดีทีเดียวด้วยสองบทใช่คำว่าปริวาสังในขีปานีก็ถือว่าเก็บแล้วแล้ว ส่วนคว่าวัดตางนี่กี่ปาน์ีอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกตด้วยถึงในการสมาทานก็ในนี้นะจะมีความสมาทานว่าปริวาสังสมาธิานี่ก็เป็นสมาทานนะครับแต่เรา้ําบอีกทีว่าวัดตาังสมาธิานี่ก็ถือว่าสมาทานดีครับอัน<อ>นี้เรื่องอะไรเช่ะครับ เขจะบอกอะไรแล้ก็จะบอกว่ากรณีว่าาต้องบอกคัคือไม่บอกเลวจะบอกครับพูดอจะเป็นบอกจะเบอกหรอเพราะว่าบอกภาษาบาลีล้ว่าเลบอกนะจะบอกเตว่าแต่ไม่ยอมเปเผยบอก็จะบอกอะไรสักอย่าง ก็จะถพอจะว่าเอ็นบอกนะบอกนะแต่ความจรงก็ต้องบอกนะขอบอกว่าปฏิว่าอธรรมนาข่ากต้องรู้สินอกจากผ้าที่เปคน้าใหม่จริงไม่ได้ศึกษาใช่ไหมครับก็เลยไม่รู้ว่าคาเนี่ยมีความบอกว่าปฏิว่าธรรมนาถเราจะรู้กันนะพงมาได้ยินคําสวยนี่ก็รู้แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นบอกนะครับเพราะขณะตอนที่เปิดเผยเนี่ยอาหัพันเตสัพทานปฏิยวิกโอมี คนรับไม่รู้เนี่ยก็ถือวเป็นเปิดเผยเหมือนกันครับอันนี้นะ่ะก็ใช้เขาจน่าจะเหมือนกันครับต่อไป <c oughs> อ, อทีนี้ทํายังไงท่า น, นบอกว่าะหลังจากเก็บวันแล้วชื่อว่าดํารงอยู่ในฐานะเป็นกัจจักปิสุนะครับอ้าในเวลาใ้ายนุ่งก่อนอนุ่ขึ้นเราก็มาตีสามตีสี่ก็ได้แล้วแต่นะ พิสูจน์ที่อยู่ปรีว่าสพร้อมด้วยพิสูจน์รูปหนึ่งหาตัวเป็นปสรูปนะที่เป็นประกาศต่างนะให้เป็นอาจารย์ทำให้เราแล้วก็ออกไปนอกวันนะครับให้เลยสองเลขยูหบานนะไปอยู่เพราะจะนิยมไปอยู่กันที่ป่าสัปเร่อ น, นะครับไปดแต่ตีสีส่สีสสสสส่กว่าก็นล้วแตกนะให้ก่อนอนุขึ้นนะครับก็เราจะไปนับลานตีนั่นนะทํามา้องออกไปสองเลขดูบาดนุ่มนะครับก็เบื่อ น, นะครับ เพื่อจัดกันว่าจะไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงพระที่อยู่ในวัดเพราะเวลาเราเห็นหรือไม่ได้ยินเสียงพระใช่ไหมเราก็ต้องบอกวัดใช่ไหมครับถ้าในใจส่องคือสองในอบาคือเพียงก็ต้อในสองตุ้บนะแล้วก็ไกลคอยเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระที่อยู่ในวัดนะครับโดยวัดจ่ารั้วของวัดที่มีรั้วจาระถานที่ควรจะเป็นรั้วแห่งวัดที่ไม่มีรั้วและลงข้างทางนั่งในที่มีพุ่มไม้าหรือรั้วบางไว้ จะได้ไม่เห็นใคร <c oughs> แอบนะครับถึงเขามาทีเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในผู้ม้าหรือรั้วาบังใช่ไหมครับถ้ามาแต่ไกลนะเราไม่เห็นเราก็ไม่เปิดไหลใช่ไหมครับอันนี้นะบางทีถ้าไม่มีอะไรบางบางทีสายามองไปทั่วน่ะอ้ะาวหลวงพระคุณเนี่ยต้องไล่ไปบอกนะครับ <c oughs> บางคนเจอแล้วก็บอกพระเพื่อนกันที่ประเพงีออนะงังต้องไล่ไปบอกหมดเลยพราะว่าเห็นีไม่ได้ยินเสียงนะใช่ไหยครับ แต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเข้ามาดนะ้เข้ามานะแล้วสามีสิบสองสองนี่นะครับเราไม่บอกเว่าเป็นอะไรเพาไม่เหแต่ถ้าเข้ามาแล้วสามีสิบสองสองนะใจเรากระพุ้นไปนอกวัด น, นะครับอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้นะถ้าเขาเข้ามาแล้วสามีเนี่ยเราไม่ได้บอกนะอันนี้เสียนาตีเลยนะครับตั้งหลักตีไม่ได้เลนอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็ น, นะครับอจากสถานที่ควรจะเป็นรู้วแห่งวัดอัน่นาเนี่ยพึงสมมาทางบอกวัด ภายในนะครว่าก่อนนะภายในอารุณ์ทีเดียวครับก็ก่อนที่อารุณขึ้นนะก็สมาทานบอกวัดนะครับสมาทานแล้วก็บอกว่าเลยแม้เห็นี่สุดอื่นใดต้องบอกวัดแส่พิสูจน์นั้นด้วยเห็นรูปไหนนะเข้ามาเราเห็นได้ยินเสียงมั่งไล่บอกนะครับหรือเข้ามาในเข็มก็ต้องบอกหลังจากอารุณ์ขึ้นแล้วเราถือว่าเราได้ดหนึ่งนาทีได้นะครับแค่ประมาณตีสี่คึ่งถึงตีห้าคึ่งอารมณ์ขึ้นใช่ไหม แคนั้นก็ถือเป็นนาฏีแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับหลังจากอาุนขึ้ น, นครับพึงเก่งว่นกับวิสุรูปที่ไปกับตนนั้นแล้วเก่งมากกระทานเลยนะก็เป็นกระตาตาแน่นะครับแต่ถ้าวิสุปูไปด้วยเลืกลับมั่นก่อนอารุนจะขึ้นเพราะมีเหตุจําเป็นถ้าเกิดปวดท้องขึ้นมานะครับนี่กลจะมาว่านก่อนนะอันนี้ทำยังไงดีลนะ่ะหรืออยู่รูปเดียวนะครับ พิสูจน์ที่อยู่ปริวา่างควรไปที่วัดแล้วบอกวัดกับพิสูจน์ที่ตนเห็นเป็นองค์แรกนะครับเสร็จแล้วจึงเก็บวันนะครับผ้าที่อยู่ปริวา่างก็กลับมาในวัดนะครับเห็นพิสูจรูปใดก่อนนั่นจะเป็นผ้าช น, นุก ก, กหรือผ้าจเจ้าบิธฑบาตนะครับแล้วก็บอกวัดนะครับแล้วก็บอกวัดแล้วก็เก็บว่ากับรูปนั้นเลยนะครับแต่ต้องบอกคนละข้อนีออไอ้ไม่ได้บอกท่านนะครับพิสูจน์กำหนดอย่างนี้แล้ว เึ่งอยู่ปริวาสจงครบานาทีที่อกปิอานบอกไว้นี้คือการวินิจฉัยปฏิฉานะปริวาสโดยย่อครับส่วนรายละเอียดคุณทราบโดยในนันกล่าวแล้วในนักฐานพระวินัยชื่อว่าสมันต์ภาษาดิการเถะิะครับนี่คือโดยย่อเป็นอย่างนี้ครับถเกิดว่าีมงจะเกิดกรมรบอก อโอ้ต้องออกขึ้นก่อนคืออันนี้ท่านยังไม่ท่านยังไม่ไปที่นั่นนะครับถ้าราออนุุนขึ้นก่อนพอดีเพื่อนกลับไปว่าก่ันเนี่ยท่านก็ต้องอยู่นะอยู่จอนอนุุขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปที่วัดนะครับกลับไปบอกเอาภาพที่เห็นนะ <inclusive. S 1> ต้องอยู่นอกวัดจะอนุุขึ้ น, นะครับนน <nelle> ตรงนั้นนั่งอยู่กับเพื่อนที่นั่นนะครับจะอนุุขึ้นงนั่นจะจะได้หน้านางซีได้นะ <c oughs> แล้วทอย่างนี้เนเราเราเราจะการองนีไดเพราะวรอาจจะมีโยมบ้านโยมงห้าวัดแล้วก็แล้วก็เพื่อป้กันอย่าไปมีเียนะอยู่บ้านโยมแนวรนก็ได้ถ้าเคยมีข้ากวามไม่ได้อยู่บ้านโยมหรอกข้าอุดถึงวครับอยู่บ้านโยมลาบากนะที่เนี่ยความจริงที่นี่ไม่สะดวกเราเนื่อจำเป็นเคยข้าอยู่ดีเนี่ย อี ar, alia, สามอีสี่ข okay. uh ้ามาขอยอยู่เโอ้ยข้ามีหมุนพรายาวลำบานเขาไม่ได้ก็อยู่กันที่ปากสปะโรนนั่นแหละอาจจะใครให้เนยไปปักป้ายไว้เขตบริวารห้าข้องแล้วแต่นะอย๋ยเพิ่งเข้ามาดยปักจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับเหนื่อนะเขตบริวารเฉียดเป็นดวงไเคยเที่ยวเคยที่ทำดีมีมีหลายคนงาน ฮะอืมฮะแต่เป็นช่วงนี้เปนช่วงข้อภาษาคือครับไปจะไหนไม่ได้แต่ช่วงเดียวน่ะช่วงภาษามันจะได้เห็นกันนะครับในน้องเข้าไปไหมไม่ไม่ต้องอ่ะอยู่วันวันได้คับอ๋อก็ได้ไม่เป็นไรครับ ของให้ครบก็แล้วกันไม่ถราบเพราะบางทีฝนตกนวันต่อไปฝนตกหนักไปไม่ได้ครับวันนั้นก็ไม่ได้นําครับแล้วก็ไปวันอื่นที่สะดวกหนักกับวันอื่นอ่าขอบใจเราไปนะสุดคำต่างปริว่าครับบรรดาปริว่าทั้งสองประเภทนั้นสุดันต่าปริว่าที่พระมิพะค่าสองอนิยาาไปแนในขันติกา ข้อเรื่องนี้ว่าพิสุทธิไม่รู้ที่สุดอ า, ารัตคือไม่รู้ว่าตัวเองตั้งกี่ตัวนั่นอุย้ยเยอะนะจําไม่ได้นะตั้งแต่แบทใหม่ไม่เครู้เรื่องทำไปหลาครั้งนะครับจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนั่นไม่รู้ที่สุดราตีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผิดวันกี่วันด้วยนะดัง น, นี้เป็นต้น ม, มีสองประเภทคือจุลสุชธรรมตับปริวาและมหาสุลนุชธรตับปริวา สุชาติปรีว่าทั้งสองนั้นควรให้แก่พิสุผู้ไม่รู้กําหนดลาตรีทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ระลึกลาตรีคําว่าอามบัติเป็นลาตรีหมดเลยนะครับแก่พิสุผู้ระลึกลาตรีไม่ได้และแก่พิสุผู้มีความสงสัยในลาตรีนั้นและพิสุนั้นจะรู้ที่สุดอามบัติว่าเอาต้องอามบัติประมาณเท่านี้นายนี้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นไม่ใช่เหตุนะเห็นนะ ถือว <c oughs> ่าจุดทำต่างเนี่ยจะตางมหาทำต่างถือว่าจุดทตาทตา่างนะครับเข้าพอกัดได้นะกัดได้ว่าเข้าหน้าจะปกปิดไว้สักกี่วันแต่เขาไม่แน่ใจนะครับเขาก็มันน่าจะสองสามเดือนนะเราไม่น่าจะปิดไว้เกินนี้เข้าพอกัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นมหาทำต่างเข้าจำอะไรไม่ได้นะและลึกไม่ได้เลว่าต้องแต่เมื่อไหร่ปกปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับในมหาทำต่าง ถ้าถือว่าสุดทางต่างกคือว่าท่านการสมาธิมันจะสามเดือนนะที่กทปกปิดไว้ใช่ไหมครับพอพระสงฆ์สวนแล้วให้เรียบร้อยเข้ามาแบบขึ้นนะครับท่านก็อยู่แบบเพิ่มปณิราชไปในกำหนดสามเดือนนี้นะครับถ้าอยู่ไปอยู่มาท่านเสร็จแล้วเลิกได้ว่าเราปกปิดไว้ไม่อถึงสามเดือนท่านก็ไม่ต้องอยู Odd, いい่ถึงสามเดือนครับอยู่แค่นั้นพอเราปกไว้แค่สองเดือนเองครับท่านก็อยู่แค่สองเดือนก็พอนะไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดกรรมวาจาอะไรใหม่ กรรมวาจาเก่าเน่ยนะที่เหนท่านอยู่แค่นั้นพ อ, พอหรือว่าท่านละเลิกได้ว่าตัวเองปิดไว้มากกว่าสามเดือนนะครับเป็นต้องสี่เดือนนะครับท่านก็อยู่ไปเลยจนถึงสี่เดือนนครับอี้กรรมวาจาก็เดิมแบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนนะครับอเรียกว่ายกระดับยกระดับมันจะมีการลดลงก็ได้เถ้าึ้นก็ได้และแต่ว่าตอนนี้ท่านกระเพ่อนท่านละเลือกได้ว่ า, ين, ว า, า, กกวาวปิดไว้แค่ไหนนะครับก็อยู่ไปตามนั้นนะครับอันนี้ แต่ถ้าเป็นมาหาดีความตานะครับแล้วลืมไม่ได้จริงนะวว่าจะว่าสงสัยก็ไม่สงสัยมันลืมไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่บวชนี่ปีไหนไม่ทํานะ <c oughs> โ, โอ้นากมากนะครับอันนี้ก็อยู่ไปเลยลนั่งตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงวันบวชนะ่ะคุณก็อยู่ไป <c oughs> น่าแต่ว่าที่เปิดเผยนะครัาไปเนยอยู่บริวารไปจนถึงวันบวชถ้าสารคาส า, สาและก็นัำหอม คนนั้นแต่วันไหนนะก็อยู่ไปจนถึงมันบวชนะข้สามวันสามเาอยู่รไปเรื่อยๆถ้าอยู่ไปอยู่ไปแล้วตัตีหนึ่งใช่ไหมแล้วเลขยกได่านี้ยเราตื่นไว้แค่ตีเดียวนะครับี้นั่นนั้นก็อยู่แค่นั้นพอพอแต่มาอุทกนิสาเนี่ยจะมีการเลื่อนขึ้นนะครับมันเลื่อนไม่ได้เพราะท่านบวชมาแค่นั้นแหละท่านจะไปตืไว้เกินกว่าพรรษาได้ยังไงมันไม่ได้นีะครับเนี่ยมาอุทกนิเป็นอย่างนไงครับ ถ้ามีสารกันทานต่างๆะคมันขึ้นไม่ได้เพราะพรรษาแค่แค่นั้นเนะี่ยท่านเลปิดอาบไว้มากกว่าพรรษาไปไม่ได้อยนี้ใชครับแต่สามากเลื่อนลงได้ถ้าลึมได้ว่าตัวเองเอปิดไว้น้อยของ น, นั้นนะครับวิธีการให้สิทธิ์ทานต่างปริว่านั้นมาและในคำประกานะครับส่วนคาถาว่าด้วยการวิจิใช้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วโดยละเอียดในคาถาพระวิเนชิวะสมบตะภาษาสกา ไปดูนะถ้ามีโอกาสคงได้เรียนนะครับแต่ผมไม่ที่แบบผมนะไปขออาจารย์พอมเรียนก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเรียนต่างขาอะไรจบเนะี่ยาจะมีที่เราหน้าหน้ากระดีมันจะนจพ่ออะไรนะครับก็จะมีปริวาสีมาแล้วก็พวกกระถิ่นนะนะครับมีคำศัพท์ะอะไรเยอะโดยเฉพาะปริวาสานะกระถิ่นเนีนะ่ยคงไม่จะเรียนแผนกเ เียนไจะได้เข้าใจนะรู้ผูกปองนะครับพอเกี่ยวกับถ้าเราเรยตรงนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับสมอธานะปริวะปริวะที่มีการประมวลนะรประมวลอาบัตินะประมวลอาบัตส่วนสมอธานัปริวะมีสามประเภทคือโอธา น, สา น, นัสมอธานนะปริวะที่มีการประมวลรวมลงครับ ประมวลรวมลงในอาบาัติหนึ่งนี่นะอักขะสมุธา น, นะครับปริวาสที่มีการประมวลค่าประมวลข่าหมายถึงรวมวันที่ปกติเระะาให้มนรวมกันนะอยู่เท่ากับวันที่ชีวิตนั้นรู้สึกมิจฉาสมุทานก็รวมอาบัติต่างวัตถุนะครับรวมประมวลเข้าเป็นอันเดียวกันเลยะะระครับเพื่อทีเดียวเลยในสาอย่างนั้นชื่อว่าโอทานะสมุทานะปริวาส คือปริวาสที่จะต้องให้แก่ผู้สุบผู้ต้องอันตรายใหม่แล้วปกปิดไว้นะครับโดยการยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสมาทั้งหมดนำอันนีน้ไม่แนวน่าตีจำนวนใหม่นะครับผมตกเล่นึงไว้ข้างบนนะนะครับอแล้วก็ประมวลอันบัตรที่ต้องในภายหลังลงในกำหนดวันเดิมแห่งอันบัตรที่ต้องทีได้นะครับถึงว่าเอา อกปิดอามบันไว้ห้าวันใช่ไหมครับกรางประบฤตปริวาสนะประพฤติยังไม่เสร็จหรืนไหครับกรางประบฤตปริวาสแล้วก็ไม่ได้เก็บบ้านด้วยนะอาจจ ะ, ะบุกเข้าในว้านนะครับตัองอาบั้นซ้ำเพื่อตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เอาไปซ้ําซ้อนอามบันนะเมื่อต้าบบซ้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดไม่ด้วยนะอันนี้ซ้อนนะครับปิดไม่ด้วยนะครับก็ให้ขอการช่างห้อามบั้นเดิมท่านี้ว่าขอมูลในนักปฏิตรศาสนาครับช่างให้อามบันเดิม คือรัวอาบัตดตัวใหม่นะครับเข้ากับอาบัตดตัวเกา่าถึงว่าตัวใหม่เราต้องรับตื่นไว้แค่สองวันใช่ไหมแล้วก็รวมทองจิมีกามวาจานนะส่วนรัวาอาบัดตัวใหม่เข้ากับอาบัตดตัวเกา่าและยกเลิกมันที่อยู่ทั้งหมดนะครับอยู่มาแล้วสามวันใช่ไหมก็ยกเลิกหมดเลยครับให้น้ำหนึ่งใหม่แล้วก็บมดขึ้นใหม่ครับสมถติว่าปีดไว้หนึ่งเดือนใช่ไหมเตือนอยู่ได้ตั้งยี่สิบเก้าวันแล้วนะครับเรงวันเดียวก็ต้องในระหว่างนะครับ นี่นะก็ต้องประมวลอาบัติแล้วก็ล้มหมดเลยนะแล้วก็ไปนั่งมือใหม่เ <c oughs> นี่ยนะให้เฉดกันเลยนะไปทำซ้ําอนๆ <c oughs> อย่างนี้นะครับหนึ่งนี่เขาเรียกโอทนาส ม, มุทรนะปรีว่าถ้าปกติไว้เนี่ยอระอาจารย์ก็จะสวดให้เรานะสวดประมวลอาบัตินะเรื่อมูะปฏิกัรนาแล้วก็สวดมวยยัปปฏิกัรนาปริว่าทีนะครับสองคนระั้งแล้วก็กดพื้นไป ถ้าอาบัในระหว่างนั้นนะครับเราไม่ได้ปกปิดไว้ก็ประมวลอาบัตอย่างเดียวนะแล้วก็ยกเลิกประคุดใหม่แต่ไม่มีการสู่มูลยัปจิตศาสนาปริวาต่อไปนะครับค่าสมุฐานนัปริวานี่ปริวาที่มีการประมวลค่าของวันที่ปกปิดนะคือปริวาที่ต้องให้สนะอาบัตที่ปกปิดไว้นานกว่าในบรรดาอาบัทั้งหมดที่ตนต้อง ใ น, นบรรดาอันบัตทั้งหลายจะเป็นอันบัตรหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรือหลายตัวก็แล้วแต่อันนี้หมายถึงวัตถุเดียวกันนะครับโดยการรวมเอาราตรีของอันบัตรที่ปกปิดไว้ต่ํากว่าที่เหลือรวมเข้ากับราตรีอรันบัตรที่ปกปิดไว้นานที่สุดนั้นครับสมมติว่าตัว อ, อันบัตรห้าตัวใช่ไหมตัวแรกปิดหนึ่งวันตัวที่สองสองวันสามสามวันสี่สี่วันตัวที่ห้าปิดห้าวัน แล้วเราดพื้นจริงนะเราก็องระบาดื้นใหญ่ในตัวนะครับโอ้ไล่แต่ลตัวในเหนื่อยเลยนะลาบากอะไรหน้าอยู่ปริว่ากันนาอะไรนะครับห้าบวกสี่บวกสาบวกสองบวหนึ่งกีวัน่ะนะครับเยอะไรนะทีนี้เก็ประมวลนะครับอาบาดที่ปกปิดน้อยกว่าใช่ไหมคือหนึ่งสองสามสี่วันนะครับประมวลรวมลงหน้าในอาบาดที่ปีไวหนักที่สุดคือตัวที่ปีไวห้าวันนะครับแล้วก็อยู่ปริวาททีเดียว ข้าวขอวันที่ตื่นอย่างที่สุดคือแค่ห้าวั น, นครับแคนั้นเองนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าข้าสมูทานนะครับแต่บันั้นต้องเป็นวัตถุเดียกันนะคือทำสุจีให้เคลื่อกนก็สุจีให้เคลื่อนเหมือนกันเครื่องกายอยูก่ก็คือเข้าหมุนกายอยูเหมือนกอันนะครับแต่ถ้าต่างวัตถุก็จะมีอีกแบบนึงครับต่อไปมิสกะสมูทานะปนแปว่าแปิว่าที่มีการประมวลนะครับอาบัตรที่สามวัตถุนั้นนะ ทำทิจให้เพื่อันตัวนะครับถูกต้องเขาคือการหิงตัวพูดรามว่าผมหินตัวนี่นะเรียก่างามวัตถุนะครับ <c oughs> คือปริวาสที่ให้โดยการรวม อ, อาบัตซึ่งมีวัตถุต่างกันไว้เข้าด้วยกันนะครับ <c oughs> มีวัตถุต่างกันเข้าด้วยกันนะครับ <c oughs> อาบัตจะปิดวันเข้ากันหรือไม่เข้ากันก็แล้วแต่นะนี่เราก็สามารถรวมได้นะครับ <c oughs> แล้วก็บุคคลประกับมันที่ปิดไว้ นานที่สุดนะครับแต่ว่ามีการรวมนะรู้สึกต่าต่างการรวมเพืนทีเดียว น, นี่ชื่อว่ามิสิกะสมูทานปริว่าเนี่ยถ้าบอกว่าอากขาสมูทานเนี่ยรวมอาบัตข้อเดกันก็คือวัตถุเดียวกันครับมิสิกาสมูทานนี่ยรวมอาบัต ท, ที่ต้องต่างพ่อกันนะครับอืมนี้เป็นเพียงการกล่าวดโดยย่อในสมูทานปริว่าสามประเภท สนรายละเอียดข้าพระเจ้าได้กล่าวไว้แล้วนในกระถาชื่อว่าสมบัติภาษาธิการที่ว่ามานี้เป็นกระถากแห่งการวินิจฉัยบทว่าปริวัตถคำนี้นะครับเป็นคําพูดที่เป็นช่องทางให้เราต่อไปจะพึดวัดมานั่นแหละอภารถึงว่าเราพรึดปริวาครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไปขอมานะแล้วก็แบบพึดมานัทนะคราบบทว่าอุตริฉารอัง แปลว่าขัดจากการอยู่ปริว่าต้องอยู่มานะอีกหกลาปิคําว่าพิสุมานาตานี้มีความว่าเพื่อความยอมรับเหตุี่สุดทั้งหลายคือเพื่อให้พิสุทั้งหลายยินดีการราพรึ่งมนานั่นคือประพรืชนะครับเพื่อให้พระสองนะครับยอมรับน้าถือนันเหมือนเดิมหรือว่าให้ยินดีที่จะเรียกข้อหมูเหมือนเดิมคําว่าปฏิปชิ้ตัพังแปลว่าควรประพฤติ ออก็มานัทของพิสูจนั้นมีสองประเภทคือปฏิฉันหนมานัทนะครับมานัทของพิสูจผู้ปกคริดอ่านบัตรไว้นะและปฏิฉันหน้ามานัทมานัทของพิสูจผู้ไม่ได้ปกติดอ่านบัตรในมานัททั้งสองประเภทนั้นพิสูจใดต้องอ่านบัตรแล้วไม่ได้ปกปิดไว้พิสูจนนั้นสงไม่ต้องให้ปริวาสไม่ปปต้องให้ปริวาสนั้นก็ทำไม่ได้ปกติดให้เฉพาะมานัทอย่างเดียว นี้ชื่อว่าปฏิฉชนามานะมานัทที่ให้เพียงพิสุทผู้ไม่ได้ปกปิดอาบัตนะครับส่วนพิสุทธิ์ไดนะครับต้องอาบังแล้วปกปิดไว้พิสุทธินั้นเมื่อหยุดปริวาครอบรานตีแล้วเสียก่อนสองจึงให้มานัทได้นี้ชื่อว่าปฏิชนะมานะนะครับมานัทสําหรับพิสุทผู้ปกปิดอาบัตใช่มครับผู้ปริวาแล้วแล้วขอมานัทตอบ และในคํากลางนีนะที่ในคําสรุปของพริเสธทีนี้นะครับประสงเอาปฏิชันหนามาหน้า น, นี้เองเพราะนําพูดถึงการพูด ป, ปริวาสใช่ไหมครับแล้วปิดอาบัตไว้นะพอปริวาสเสร็จก็มาขอมาณต่อก็วิธีการให้มาทั้งสองประเภทนั้นคือสร้างโดยในดังกล่าวและในเอกษ า, าชื่อว่าสมัญตปาสาธิการข้อในที่นี้เป็นเกี่ยวความย่อเท่านั้น ก็ยากนะจะมีนายะเอียดเยอนะครับถ้าเจ็บวันแล้วไปเพื่อจะสมานทานในเวลาใกล้ลุ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะทั้งปริว่าและมานั่งนะครับเราจะแบบพื้นในวัดก็ได้นอกวัดก็ได้นะครับถ้าวัดไหนมีผ้าน้อยแค่สามสีรูปนะเราแบบพื้นในวัดไปเลยนะครับแต่ว่ามานั่งเนี่ยจะต่างจากปริว่า น, นะครับต้องพาที่สุอย่างน้อยสีรูปไปด้วย เราจะโล่ขึ้นมานั้นสมัยจะไปนอกวัง น, นะครับต้องพาเท่าที่ฉุกไปสีรูปครับถ้าปริวารูปเดียก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ามานัณไม่ได้อย่างน้อยสี่รูปนะครับถึงสถานที่ประการดัรงกล่าวไว้แล้วที่ปากสปรดมันต้อง <c oughs> ในเรื่องของปริวาเนี่ครับสมาทางว่ามานตังสมาธิยานิวังตังสมาธิยานิก็ต้องสมาหาว่าก่อนนะ พอเราเห็นไว้แล้วใช่ไหมครับนกระดาษนะครับเราไปสมาค้านก่อนและก็บอกว่านกับพิสูจเหล่านั้นแล้วนะครับที่สูจเหล่านั้นจะไปจากที่นั้นก็ดีไม่ไปก็ดีพึงบอกอพึงบอกปฏิบัติตามวิธีก่อนปฏิบัติมนในเรื่องของปริระครับถึงว่าท่านที่ไปวิกันกลังสีรูปนะตอนไปคือครบทุกอย่างนะครับพรอสมาทานบอกวันถึงร้อยนะครับมีรูปหนึ่งกลับมาว่างก่อนนะครับ ถ้าอกผมมีเหตุจำเป็นผมยัต้องท่องหนัือส่งอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้ให้เราต้องเรียนังลนะเราไม่ท่องหนก่อหมายเลยน้ครเหลือหรืก็สาลูกไปเลยเหลือแค่ลูกเดียวนะพออารมณ์จะอีู่ในอารมณ์ขึ้นนะครับเราก็เก็บวากับที่สุดรูปนั้นได้เลยครับเข้าได้นนะครับเราสมาทานเข้าไปมานั่นนะเข้าจะใหสมาทานบอกวัดก่อนนะครับมันจะการหลาอย่าง น, นแล้วก็เก็บวัน ไม่ใช่นะเรื่องสมัครการนะสาสมัครารตอนแรกก็บอกว่ากลอบนะครับแล้วก็เก็บบัางก็หนักก็หนกได้ก็หนักตีได้ครับเพราะว่าพราะวันตอนทีเราสมัครารตอนแรกมีขั้งมีคมนะครับแต่ถ้าว่าแม้แต่รูปหนึ่งเนี่ยถ้าากลับไปอีกผมปวดท้องต้อนีกลับไปเดียวเข้าแน่นะครับปล่อยเราไว้แต่รูปเดียวจะอารมณ์ขึ้นนะก็ได้ไม่เสียเวลาตีนักได้นะครับ ควาขึ้นปุ๊บแล้วก็เดินสมาวันนะครับเจอท่ารูปไหนก่อนนะเราก็บอกวานก่อนถ้ารูปนั้นไม่ใช่รูปที่ไปกับเราตอนนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าัดก่อนแล้วก็เก็บบันครับเนี่ยแล้วก็นัามาตีอะไรมาตีอืมครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกลับมากันหรอกหรือภาพคุยปริวาสมาแล้วจะใจเสียเอ้ยกลับไปแล้วผมจะทํายังไงผมน้่งมาตีไ่าดูก่อน คุณ น, น้ำได้ไหมครับน้ำได้ไม่ใช่ว่าน้ำไม่ได้ถ้โกลอยมาก็ลงดู้านคหนถ้าดีเดี๋ยวบานทีของท่านพูดถึงมีเหตุจำเป็นเนี่ยแห้เขากลับไปใช่ไหมครับ ครสี so ่ลูปนะมานั Jonathan, ่งอยู mez, <avaş gold> <hed> ่ไม <Platform> ่ไ <Şu> ด้มานั่งต้องมีกระต่ายนะสี่ลูกอ๋อไม่ได้ถ้าไม่มีกระต่ายนะได็กกินหลังนะก็มีนะโอ้ยชาบปริวาสเยอะกว่าอาจารย์จำครับความชอบปริวาสนะอาจารยุ่มเียวไได้เราปริวาสถ้าห้าูกนะอาจารย์จำหนุ่มเดีวใช้ได้แต่มานะอาจารย์จำเพอย่างน้อยสีู่กนะครับ ในข้อว่ายัตถาศิยาวิสติขโนมีวิเคราะห์ว่าหมู่ของวิสุยี่สิบรูปเป็นคณะของสองนั้นเหตุนั้นสองนั้นจึงได้ชื่อ ว, ว่าวิสติคณะว่าเราไม่ต้องกลัวทั้งสี่เศษใช่ไหมสิบกว่าใช่ไหมครับคําว่าตัดหาความว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับหมู่วิสุยี่สิบรูปมีอยู่ในสีมาใดต้องไปเอาทานในสีมานั้นนะครับแล้วก็ควรที่จะช่อเหลือกันนะ ถ้าภาไม่ครบยี่สิใช่ไหมครับเราจะไปเกี่ยงกับว่าตุกติงเปปัญหาอะไรนะถ้าภาพไม่ครบนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนเดียวช่วยกันนะอย่างที่เราเรียนเมื่วาใช่ไหมการว่าการตัดเศษขึ้นทางและกันการยังกันและกันให้ออกกานบอกวิธีนี้ยังถือเป็นเหตุให้กรณีขนานบนสามข้าวเจ้านะเสียหน้าเรื่องการอย่างนี้นะไม่ควรจะลังเกียจที่จะช่วเหลือคนอื่นนะ ต่อไนะครับต่อไมันมีอะมันมีผ้าที่เขาอย่างนี้นะครับเขาไม่ค่อยชอบผ้าเอาตัวที่บอกว่าเขาถือว่าไม่ค่อยได้ขัดตาวก็มาคุยในวันน่ะเอาให้เข็ดไปเลยไล่บอกเลฟซ้าถืสถึงรูปนะทั้งบนของนึกต้องมาถ่ายข้างล่างจะได้เข็ดได้หลานก็มีอย่างความขึ้นอย่างนี้นะอย่านี้่ไหครับมันก็ไม่เท่านั้่นะ แต่พอแกโดนจริงๆนะแกก็จปออกมาออกจากบ้านเลยใหญ่เลยครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเนื่องคนจะช่วยกันทำดีนะ้วต่อไปนะอันนี้นะครับบอกว่าคําว่าอภัยตับโพแปลว่านําเข้ามาคือยอมรับขยายความว่าสองเลือดเข้ามูอเพื่ออํานั่งอให้อภังกรรม ก็อภานกรรมข้าพระเจา้าได้อธิบายไแล้วในเอกสารพระวินัยชื่อว่าสมณลปภาษาพิการคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนกรรมจะอภัยริเศชนะครับท่านอย่าง้อยยี่สิบรูปนะครับไม่นับคนขอนะคนนั้นไม่ขอไม่นับ น, นะครับก็ท่านสองที่เหลือยี่สิบรูปก็ส่วนนะครับอภานคือเรียกนู่นนั่นข้าอมู่เหมือนเดิมนะพอจบจบนะครับท่านก็บริสุทธิ์นะคะรับแย่ถึงวัาท่านเจ็บวันนะ เวลาท่านจะไปขออภาร์เนี่ยท่านต้องสมาทานก่อนนะครับเพราะตอนนี้เขียนว่าแล้วถือว่าเป็นประกศาตาใช่ไหมครับประศาศตานี้ไม่ไม่ควรจะอภาร์นะครับท่านต้องสมาทานก่อนบางทีก็บอกว่าบอกว่าด้วยก็ได้นะครับสมาทานแล้วต้บอกว่าแล้วค่อยขออภ า, านะครับแล้วสองก็จะสวดให้อือครับอา่าได้ก่าวไวล้นะในประกศาศาพระวินัยที่สมณปราชา์พิการต่างการไม่ได้ใช้ในขณะ ก, กา ตามพระบาลีคําว่าอนัพพิโตมันตนอ่อนอหนูมันเป็อนัพพิโตแปลว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับคือยังไม่ถือว่าได้ขำอภัยในกรรมหมายความว่าถ้าพระไม่ค้อบยี่สิทนะมีแค่สิบเจ้านี้นะครับไม่ถือได้อภัยใช้ไม่ได้เลยกรรมไม่สําเร็จนะข้อว่าเตจจ์ปิขุคาไรหาความว่าที่สุเหล่าในรู้ว่ากรรมนั้น มีพิสุไม่ครบยี่สิบรูปแต่ก็ยังทำอภารนกรรมให้ที่สุ่วนั้นต้องถูกติดเอี่ยมขยายความว่าเป็นผู้มีโทษมีความผิดต้องบัตรทุ ก, กฎนะครับต้องถกกฎเลยนะไม่ครบยี่สิบแล้วก็ไปอภอารให้นะั่นมีโทษด้วยข้อว่าอาัญญาตถาสามีจีนะครับความว่านี้เป็นธรรมสมควรคือคอยตารโลกุตตรธรรมนะครับเป็นธรรมที่ชอบ สมควรต่อโอว่าและคำข้อสอนของพ ร, รนะุธเจ้าคำที่เหลือในที่นี้มีในดังกล่าวแล้วหลการพนทนาสงค์ยิ่งเสด็จแศในในกสารอภิาติโมกชื่อว่ากังถามเจรณีจบแล้วรูประการชินครับวัน น, นนี้ก็เที่ยงก่อนครับอันนี้า้สุดนี้ ขอความสจริองอกงามธรรินิันรของพระสมณะของพระเจ้าจนมิแก่ท่านหายด้วยการทุกท่านเอะ